เขาก็พามาเบสามสิบคนในเทเังกิษขาดไปแล้วขาดไปแล้วดี๋ยว่าน้องจะได้เอาไปถอนได้ขาดเพิ่เก้าเปิ้ลหนึ่งครับหน้าต้องหยุดออกเยอมากครับเส้ี่ว่ามันติดมาก แต่งนะถวายเดี๋ยวตั้งก็คือพิมคาลวิชาหักไวให้หลวงพอพิมแจกวันเกิดะควันเกิดตั้งเดินหน้ากั้งใจแีกจะถวายก่อนเมถวายนี่อค่ะ่ค่ะเี้ยวมีเสียววางแล้วนะฮมีเสี้ยววางะวัด สบายดีแล้วสายดีคังานเยอะเลยได้ครับแต่วันนี้ยังไงก็ต้องมาให้ได้นะครับยุ่งยังไงก็ต้องหนีมาเป็นที่ที่ไม่ดีชวนคนหนีงานเวลานี้เพื่อทำมากไมครัไม่จ้างไม่มาไมปนไถ้าหนีไปเที่ยวนี่ไม่ดีับเขาไปที่ไหนรูงคัน ีมีคนซึ่งเขาคนนี้ตายแล้วมาฝากลาแล้วก็โหดชแ่คุณลูกสาวบอกว่าคงจไปวันนี้้านี้อันนี้เป็นใปรณนาว่าไม่่อันนี้ลูกเขียนชื่อเข้าไว้เฉยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะของอน้กของมันได้เครื่อง่กไม่ไม่อีกอันเป็นน้ําไม่มีที่ไม่มีที่นีไม่มีแก้วไม่มีก็ไม่ปไถวายขวังใจมันถวาย ไม่ต้องเปิดไม่้องเปิดนะคือไมกเลยฝัไม่ฝักเไม่ฝ้าสมัยจะไมักยครับไม่ต้องทำอไรทีเลยไม่ต้อง้ามแสงเลื่ที่ังดีดีดี ถึงทาฝากไว้ก่อ น, อ น, นหนังสือเจอทำนี่ถ้ายอมอยากจะหยุดทำเมื่อไหร่ก็ได้ น, นไะไม่ต้อง<ร>ไม่ต้องเกรงใจนะไม่ติดไม่อยากอยุด<ม><ล>ยนะคะเพราะว่าก็พออยากจะมีความจําเป็นจะต้องหยุดอย่างไรก็หยุดได้นะ มันก็เยอะแล้วเกินคลับล้อ่อยล้อะไรล้อคอยเใหม่พี่พิมพ์นี่พิมพ์คั้งละพันเล่มเลยนีรพิมพ์เพิ่มเป็นสองพันเลค่ะแล้วแจกพอแจกหมดเลยไม่ว่าเขายังมีหอยู่บ้านค่ะงแค่แต่ตามแต่กลังครับเป็นไงหลิวแฮปป p ้ดีไหม ก็ลูกกลับลูกกลับลงมาแล้วก็ติดต่อไม่ได้เอเรว่าอยู่นั่นหลวงพ่อไม่ให้ติดต่ อ, อแต่ไปอยู่กันก็ดีค่ะที่พักที่พัเงียบมากเแล้วไม่ที่รู้ลูกภายนอกเลยไปได้ก็ดีเพราะที่ก็ดีอยู่แล้วพกูบาอาจารย์ก็ดีท่านก็ อ, อยู่<ล>ที่ตัวเราแล้วล่ะ ถ้าเราตะเกียกตะกายไปทึงที่นั่นได้ก็ควรที่จะฉกฉวยโอกาส <S <S ทําให้มากที่สุดโรงครัวท่านก็ไม่ให้ทําไม่ให้ทำอะไรดอแล้วแหละเพราะว่า<อ>งานหยาบเนี่ยงานภายนอกนี่ท่านถือว่างานหยาบคุณบาอาจารย์ท่านส่งเสริม ง, งานภายในยกเว้นคนที่ใจยังหยาบอยู่ยังเข้าถึงงานที่ละเอียดไม่ได้ก็ให้ทํางานภายนอกไปก่อน พออย่างพอน้าไม่ได้ก็อ้าไปดูแลโรงครัวทำสับข้าวกับปลาตัดกวาดเช็ดถูอะไรต่างๆแต่คนที่ทํางานละเอียดได้แล้วท่านก็จะไม่ไม่ไม่บังคับให้มาทํางานยากหรือเห็นมาทํางานยากท่านบางทีท่านก็ไล่ไปอย่างสมัยที่อาตมาไปอยู่ตอนนั้นก็บางครั้งก็มีการสร้างกุฏิ ก็มีพาท่านก็ช่วยกันทําแล้วก็ไปช่วยลุตงตาท่านมาเห็นท่านก็ไ ล, ล่เราไปแต่ท่านก็พูดแบบเหมือนกับให้คนอื่นก็ไม่เาขาไม่เสีกําลังใจเขาท่านก็เหมือนกับว่าเรามันไม่ได้เรื่องอะทํา ง, งานนี้อย่ยมาเกะกะดีกว่าท่้นก็ลไล่ไปเราก็เหมือนกับท่านชีพ้พงแล้วเราก็เลยสบายใจเราวันต่อไปเราก็ไม่รู้สึกตะกิดตัวะครวจใจที่ไม่ได้มาช่วยเขา าะโดยธรรมชาติของคนเราอยู่ร่วมกันมันก็มีความภาระรับศิกชาร่วมกันคืองานส่วนรวมบางทีก็ก็ต้องทำร่วมกันแต่พอดีท่านก็เมตตาท่านแยกแยะคนบางคนก็ให้ไปทำงานอีกอย่างดีกว่าเพราะมันจะเกิดประโยชน์ที่ตามมาทีหลังโดยงานนี้มันก็ ก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่มันเป็นเป็นประโยชน์แค่ปัจจุบันเป็นไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มากเท่ากับงานภายในงานภายในนี้ผู้ปฏิบัติก็ได้ประโยชน์แล้วเมื่อปฏิบัติงานของตนเองเสร็จผู้อื่นก็จะได้รับประโยชน์ต่ออีกทีหนึ่งดังนถ้าไปได้ไปวัดที่ท่านเมีครูบาอาจารย์ที่ท่านฉลาดท่าน ท่านรู้เรื่องงานอยากงานละเอียดเป็นอย่างไรและเหมาะสมกับใครแล้วท่านแยกแยะได้นี้ก็ดีแต่ถ้าไปอยู่ที่ว่าที่เขาไม่แยกแยะ ก, กันอะถ้าถึงเวลาทางานอยากทุกคนก็ต้องทํากันหมดไม่ว่าจะไม่ว่าจะจะกาลังทำงานละเอียดขนาดไหนก็ต้องฝ่ายงานนห้นไปก่อนมาทำงานยากก่อนอย่างนี้งานละเอียดมันก็จะไม่ก้าวหน้ามันจะเสียเวลา แต่ถ้าปล่อยให้คนที่ทํางานละเอียดให้ก็ทํางานละเอียดก็ไปคนที่ทํางานหยาบ ก, ก็ให้เขาทํางานหยาบไปแยกส่วนไปมันก็จะได้ไม่ <c oughs> ไม่เสียเวลาสําหรับคนที่ทํางานงานละเอียดเพราะถ้ามาทํางานหยาบมากๆดีไม่ดีแล้วงานละเอียดมันเสียหายอย่างเหมือนก่อนใครมาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่านตเรื่องที่หลวงตาสมาธิเสื่อมที่ท่านไปทํำกรดอยู่เดือนหนึ่ง พอกลับมาภาวานาจิตไม่สงบแล้วพอไปทํางานหยาบงานภายนอกทํากรดเนี่ยมันงานหยากแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานภายใน ง, งานที่ละเอียดซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ถึงขั้นที่มันไม่เสื่อมมันยังเป็นแบบเจริญได้เสื่อมได้อยู่พอไม่ได้ทํามันปั๊บเนี่ยทิ้งมันสักสักเดือนเดียว น, นี่ไม่ไม่ทําเลยเพอกลับไปทําใหม่มันไม่สงบแล้ โอ้ยตอนนั้นท่านหัาจิตท่านวุ่นวายมากเลยยิ่งอยากใช้มันสงบแล้วมันไม่สงบนี่มันยิ่งหุ่นวายยิ่งรุ่มร้อนใหญ่จนท่านก็เลยพยายามหาคิดดูว่าทํำยังไงให้เคยทําให้สงบท่านก็เลยท่านก็เลยกลับไปทําอย่างนั้นจับพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาไม่ทําอย่างอื่นละทําอะไรก็พุโทโธทั้งวันทั้งคืนเลยไม่นานครั้งแรกมันก็สงบลงได้ ลูกเ <c oughs> มื่อระยะที่อยู่ที่วัดดงได้พิจารณาเดินปัญญาดูอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าดีนะคะพอ ก, กลับมาเนี่ยมันัรู้สึกเหมือนถอยกำลังมาอีกมันมั น, น, นพ่อไม่ได้พิจารณาเงเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นเข้ามากบมามาดึงจิตให้ไปทําจิตก็เป็นเหมือนกับรถเี่ยรถจะเอาไปทํางานสงอย่างพร้อมกันไม่ได้ เช่นจะไปกรุงเทพแล้จะไปอุดรนี่มันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าจะไปกรุงเทพมันก็ต้องไปทางไปกรุงเทพถ้าจะไปอุดรมันก็ต้องไปอุดรตอนที่เราอยู่ในวัดปฏิบัติเราก็พิจารณาธรรมะเรียกว่าจิตอยู่กับธรรมเรียกว่าอะไรธรรมะธรรมะและสติปัฏฐานจิตไข้โคนแต่เรื่องของปัญญามันก็เมื่อมีปัญญาอยู่ในจิตมากเท่าไหร่มันก็จะมีความเจริญคืบหน้าทีเล็มันก็จะ อ่อนตัวสงบตัวหลบถ้ามันไม่ตายมันก็หลบหลีกหลบซ่อนมันไม่โผล่มาง่ายๆแต่ถ้าเวลาไม่มีธรรมะเช่นมากลับมาที่บ้านเดี๋ยวต้องคุยกับสามีคุยกับลูกคุยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มีแต่ ม, แตมีแต่เรื่องทางโลก น, นธรรมะก็หายไปพอธรรมะหายไปกิเลสมันก็มันก็ออกมาพอมันกิเลสออกมาใจก็ร้อนใจก็วุ่นวายใจก็ไม่สงบ การจเจริญจะเสือ่อมมันก็ขึ้น อ, อยู่ที่ว่าความคิดของเราสังขารปรุงแต่งของเราปรุงแต่งไปในทางไหนงปู่ดุลท่านก็พูดว่าจิตออกข้างนอกก็เป็นสมุทยัยจิตเข้าข้างในก็เป็นมรจิตเข้าข้างในก็พิจารณาเรื่องธรรมะเช่นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขาร ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาดูรูปว่าไม่สวยงามเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลถ้าพิจารณาอย่างนี้กิเลสมันก็หลบหมดราคาตัณหาต่างๆมันก็จะเบาลงปฏิฆะความหงุดหงิดใจมันก็จะเบาลงเบาลงไปแต่มันยังไม่ตายถ้ายังไม่พิจารณาจนถึงท่านถอนรากถอนโคนของมัน ถ้าถึงขั้นถอนรากถอนโคนแล้วหลังจากนั้นแล้วไม่ต้องพิจารณาต่อไปมันไม่กลับมันไม่มีอะไรจะโผล่ไปมาจะพิจารณาแบบนั้นมันก็บาวว่าต้องพิจารณาแบบทุกลมหายใจเข้าออกเลยถ้าจะเอาสุภาษก็หายทุกลมหายใจเข้าออกนี่เห็นเป็ น, นสุภาษามีหมดเลยทำร้องอะไรทีลายก็มีแต่สุภาษ้จนกรทั่งมันไม่มีไอความรู้สึกที่อยากจะมีอารมณ์กับอะไรกลับกับร่างกายต่อไปมองทีลายมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกที หรือแม้จะกําหนดให้มันดูว่าสวยงามยป็นไงพอกําหนดตั้มมันก็ล่องหายไปเพราะไอตัวอสุภะมันจะขึ้นมาแทนที่แล้วอย่างนี้ราคาตันหามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็รู้เองว่าอองานเรื่องพิจารณามีก็หมดปัญหาไปแล้วถ้าเป็นยาถ้าเป็นโรค ก, ก็ไม่มีไม่มีโรคมันหายแล้วหายไข้หวัดแล้วแล้วเราจะไปกินยาแก้หวัดอีกทําไมเราก็หยุดกินได้ แล้วก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องทําต่อไปงานละเอียดขึ้นไปอีกจากกายก็เข้าสู่ น, นมามนามธรรมพิจารณาดูการเกิดดับของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเข้าใจแล้วมันก็ละเอียดเข้าไปถึงจิตก็เดินก็ดูการเกิดดับของอารมณ์ในจิตอีกที่เกี่ยวขันกับการเกิดดับขอ ง, ของนามขงังอีก แล้วก็เห็นความสุขความทุกข์ความสว่างความความความเฉาของจิตก็พิจารณาไปปฏิบัติไปจนกว่าจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่นะ้พอ <c oughs> หมดตล้มันก็ไม่มันก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันไม่มีงานให้ทำแนละ้วมีงานละเอียดหมดแนละ้วกิจในพรหมจรรย์ แล้วหมวนถ้าก็ไม่มีกิจอืนอ่นที่จะต้องทำอีกต่อไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ทำงานภายนอกน ะ, ะไ ป, ปอบรมสั่งสอนเผยแผ่ความรู้ให้กับผู้อื่นเป็นงานหลักส่วนงานก่อสร้างงานอะไรต่างๆนี่ก็ทำไปตามความจำเป็นทำไปตามเหตุตามปัจจัย มันมีคนมาถวายเงินทองสมากมาไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็เอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนหรือที่ไหนเดือดร้อนขาดแคลนอะไรก็เอาไปทําแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นภารกิจหลักมันเป็นผลพลอยได้จากการที่ไปเผยแผ่ธรรมะไปสั่งสอนผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นก็ต้องสั่งสอนให้เขาทาบุญทําทานเพราะเขายังอยู่ในขั้นต้องทําบุญทาทานอยู่ มสอนเขาให้ทำบุญทำทานเขาก็บริจาคทรัพย์บอ <c oughs> กเาบริจาคทรัพย์มาก็ต้องเอามาเอาทรัพย์ที่เขาบริจาคมามาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้องเป็นสาธารณะประโยชน์หรือถ้าเป็นบุคคลประโยชน์สำหรับบุคคลก็เฉพาะบุคคลที่เดือดร้อนจำเป็นจริงๆที่จะต้องดูแลกันไปก็ทำกันไป กิจขอ ง, างาศาสนาก็มีเพียงแค่นี้แท น, นสำหรับพวกนักภาวนาเี่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับกิจภายนอกให้มากถ้าเรามุ่งไปทางการภาวนาแล้วถ้ากิจภายนอกเราหลีกได้ลเลี่ยงได้โดยที่ไม่ไม่เสียไม่เสียมารยาทไม่เสียอะไรก็ควรจะหลีกแต่ถ้าจําเป็นจะต้องทําก็ทําแต่ถ้ารู้ว่าทําต้องทําแล้วมันไม่มันไปทําลายหรือไปขวางการทํางานภายใ น, นก็ควรจะเปลี่ยนที่ ไปควรจะไปหาที่ที่เขาส่งเสริมการทํางานภายในบางแห่งนี้ก็ไม่ให้ทำงานเลยภายนอกเขาให้ไปอยู่อาหารก็ไม่ต้องหาด้วยเขาจัดส่งมาให้ก็มีบางแห่งให้อยู่แต่ในห้องเจ็ดวันเจ็ดคืนนี้ <c oughs> นี่เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ละเอียดงานที่ดีงานที่สําคัญกว่างานภายนอก พอเสร็จงานนี้เสร็จงานภายในแล้วก็ไม่มีงานอื่นจะต้องทําต่อไปแต่ถ้าทําแต่งานภายนอกงานภายในไม่เสร็จก็มันไม่มีวันเสร็จสิน้นตายไป ก, ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทําให ม, ม่นั่นดังั้ขอให้เราเห็นความสําคัญของงานภายในงานภายนอกก็ทําไปตามเนื้อผ้าตามความจําเป็น มีลูกต้องเลี้ยงดูต้องต้องส่งเสียก็เลี้ยงดูไปมีสามีมีภรรยามีสามีมีภรรยาจะต้องดูแลก็ดูแลกันไปมีพ่อมีแม่ต้องดูแลก็ดูแลกันไปมีเวลาว่างจากงานภายนอกก็ควรจะทุ่มเทให้กับงานภายในอย่าไปทำงานให้กับปีเลด้วยการไปเที่ยวไปหาความสุขทางลูกเสียงกลิ่นรดผดทพะ อย่างนี้เรียกว่าไปทำงานให้กับฟิเลส ทำให้กับพ่อให้กับแม่ให้กับลูกให้กับเมีให้กับสามีนะแล้วต้องไปทํำงานให้กับกิเลสดีกไม่ได้ทําให้กับตัวเลยไม่ใช่ทำให้กับใจเลยเมื่อกี้เพื่อนก็จะไปตุรักีนะเลี้ยงยาวไปเรื่ออะไรอุ้ยขึ้นมาอยู่นั่นละังทํางานหนักกิเลสแล้วทําทำงถ้าอาจารย์ถึงจะไม่อยากไปยากยากมันยังไม่ถึงขั้นต้องต้องไปรับใช้กิเลสก่อนกรรมยังเยอะอยู่ เอาจริงๆอ่ะพูดตามหลักธรรมมันเป็นเรื่องของกรรมจริงๆแทนที่จะเอาอเวลาเอาเงินทองที่หามายากลำบากมารับใช้กับมาทํางานให้กับตัวเองกลับไปรับใช้กิเลสเองใช่ไหมถ้าเปลี่ยนตัดใจได้เงินที่ซื้อที่เอาไปใช้เที่ยวส่วนนี้เอาไปทําบุญลอยจากหลวงตาเลยถ้าหลายสาหมื่นห้าหมื่นโอ้ได้บุญเยอะแยะ <laughs> แล้วก็เอาเวลาเจ็ดวันนั้นไปอยู่วัดหลวงตาทุ่งใช่ไหม มันเนี่ยมันไบงานอย่างทชานหลวงหลวงปู่ดูลที่ก็บอกแล้วออกข้างนอกก็เป็นกิเลสเข้าข้างในงเนี้เป็นธรรมไม่มีใครพูดไม่มีใครสอนก็ฟังไม่ออกไม่มองไม่เห็นภาพเ <c oughs> พราะพูดนี้เห็นชัดเลยใช่ <c oughs> เพือ่อนก็พูดว่าหูมันอยากไปนึกมาต้องบอกเขาไปดูรูปเทำไมต้องมไปดูเอทัวร์ตดูรูไปดูในเนไหนก็ได้โดต้โอ้ตัวกีมันสกปรกอย่างารมาเคยแวะขากลับมาจากยุโรปมาที่สตนบูห้องน้ามันสมัยนะั้นโอ้ยมันยิ่งกว่าเมืองไทยเหมอเห็นอยากไม่เห็นอยากจะไปเลยเลราท่านจันไปโดยวิธีรักิ้วมือเง มี่กี้นั่งมาในรถคือจริงๆ ก, ก็ไบกตอบกันแล้วนะัะแต่ว่าเมตตาบอกท่านแจนตอบคือเมตตาริรยาเมตได้ถามว่าการมีสติได้บุญในก้อนไหนคะ มีสติอยู่ตลอดถ้ามีอย่างไรเี่ยถ้ามีสติมันก็มันก็แค่นิพพานก็แค่เอื้อมเท่านั้นแหละอย่างที่เจ้าบอกในนี้ไงสมมาสติไปเนี่ยอย่างเร็วก็7วันอย่างช้าก็เ็ดปีแต่สตินั้นเป็นมหาสติแล้วที่มันค่ะก็สติมันหลายระดับเลสติอนุบาลกับสติที่เราก็ไม่รู้ข้อหมายถึงข่าว่ามันอยู่ในระดับไหนแต่ส่วนใหญ่ในระดับคารวามันก็ระดับมันก็ระดับอนุบาลเท่านั้นเนี่ยถ้ามาระดับ สติมันก็ไม่อยู่เป็นค า, า, ารวาดแล้วมันจะอยู่ไปทำอะไรใช่ไหมไปยังไงได้อ่านหรือยังอ่านนะเพราะว่าพออ่านแล้วลูก ไปเอาภาษาไทยมามาดาวโหลดภาษาไทยมาด้วยแต่เราอ่านแล้วคือสิบประเซเกิดเข้าใจง่ายกว่าเยอะเพรภาษาไทยเนี่ยแหละตอมาท่องท่องท่องหมดทั้งทั้งสูตรเลยแล้วก็ทุกครั้งเวลาจะนั่งสมาธิก่อนก็นั่งท่องในนี้ไปทำใจแล้วเราเป็นการเป็นเป็นปัญญาไปในตัวเพราะมันเป็นการท่อง Instru าคชั่นแมนยู เั่นก็วิธีปฏิบัติจริงๆก็คิดอยู่นะคะเพราะว่าคุณยานาว่าจะก็จะทำเป็นภาคที่เป็นคำถามมาของท่านอาจารย์ก็เลยนึกว่าถ้าเบิดท่าย่มใหญ่จะคือวันนี้เป็นแนบไปเป็นเหมือนแอปเข้าไปนะคะ เำหรับคนที่ไม่เคยรู้ถึงคุณค่าของของภาษาอังนี้บางคนบอกว่าภาษาอังกฤษไม่เข้าใจอะไรนี้เพราะว่าอ่านแล้วก็ภาษาไทยนี่เป็นอันนี้ใช่ไหมคะก็อันไหนก็ได้เหมือนกันเหมือนกันก็ลองเปรียบเทียบดูสิอ่านแล้วก็จะเห็นเหมือนกันเรื่องภาษาไทยนี่บางทีอ่านแล้วต้องแปลเป็นไทยอีกทีเพราะมันมีราชาศัพท์ปนกันอยู่อลูกก็เพื่อได้ต้องมา ตามหัวข้อที่แมาจว่า้กคือชอบมาจาบหัวข้อสรุปนั้นๆมันยังจำไก็ได้ก็ดีอ่ะถ้าถ้าท่องถ้าท่องได้มันก็เป็นวิธีฝึกทำสมาธิไปในตัวใชรแล้ววันนั้นแจกไปกลมาแล้วแจกที่แจกที่วัดพระามไแล้วเป็นอะไรเียงไรที่จะ้วเลยคือตอนตัวเรานั่งสมาธิไม่เป็นแล้วก็นั่งท่องในพระสูตรนี้ไปนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิแล้วก็ท่อง ทองไปท่องไปมันก็เป็นเหมือนการทาสมาธิไปในตัวไมันก็ส่วนมนต์ น, นะเพียงแต่<ม>ทานนี่จะเป็นภาษาบาลีสวนเป็นภาษาอังกฤษเพราะคำสอนอพระเจ้ามันไม่ได้เป็นมนต์เป็นคาถาอะไรมันเป็นมันเป็นความรู้มันเป็นข้อแนะนำคำสอนเนี่ยเราก็ยึดอันนั้นไป เป็นเป็นเป็นอาจารย์ได้เลยเนี่ยใครถ้าใครอ่านพระสูตรอันนี้เข้าใจแล้ว<ม>อยู่คนเดียวก็ปฏิบัติได้ไม<ง>่มีอาจารย์สอนก็ปฏิบัติได้ไม่ได้ไรู้ทแล้วไม่ได้มแสดงว่าเราอ่านไม่เข้าใจถ้าอ่านเข้าใจแล้วไม่ก็ไม่คือดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องมีอาจารย์คือถ้าไม่ถึงว่าหาอาจารย์ไม่ได้ไม่มีอาจารย์ที่ไหนเลยก็ยึดอันนี้เป็นอาจารย์ไม่ได้ แ, แต่ถ้ามีอาจารย์ก็จะดีกว่าแต่อาจารย์ก็ต้องอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงถึงจะดีกว่านะถ้าอาจารย์ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงก yeah. ็อาจจะพาให้หลงได้เหมือนกันกี่หน้าเน่ยหลายหน้าเหมือนกันนะเราที่จำได้เคยนั่งท่องว่าประมาณสี่สิบนาทีหลังๆยากขึ้นอ่ะอนแรกจะซ้ํา้ำซ้ำซ้ำซ้เราอาจจะสกิปก็ได้เวลาเราท่องล้วก็สิปกิปได้สรุปได้แต่ แต่ก็ไม่มีอะไรเป็นการที่ให้เราชี้เป้าให้จิตของเราไปตรงนั้น <Okay. S 1> ให้อยู่ถ้าอยู่กับเจ้าจิตของเราอยู่กับพวกนี้ไม่ว่าจะอยู่กับกายเวทนาจิตหรือ ธ, ธรรมเนี่ยมันก็จะใกล้เข้าพขา น, นิพานไปเรื่อยๆ mm hmm. เอาจริงๆพขานิพันธ์นก็อยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่มาสติปฐานสูตรนี <Okay. S 1> ถ่ถ้าท่านถึงใน ท, ท้ายท้ายขระสูดต้องสรุปไว้ใช่ไหม mm hmm. ว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติตามได้ ยังยังช้าก็7ปียังเร็วก็เจวันถ้าฉลาดก็เจวันถ้าชา้าถ้าถ้าไม่ฉลาดก็7ปมมีมัมนพิการยังไงคะโอ้มันอยู่ในหัวใจไปดกใจเฮิรนใจเสด แ, แต่มันไม่ทําไม่ได้ศึกษามาก่อนมันก็จะไม่รู้ว่าประสดุ<า>นัยสำคัญ ท, ท, ที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาถือประสดุนี้เป็นเป็นพัสดุสำคัญ รู้สึกคนในชาวผู้ศรีรังการนี่ก็จะรู้ทันทุกคนสูตรนี้แต่ไทยเราจะรู้จักกรรมประจักษ์มากกว่าอยากจะไม่คยรู้จักมหาสติปฐานสูตรกันเท่าไหร่รู้แต่ในเฉพาะวงปฏิบัติคันนี้คืออันแรกที่ท่านสนใจมาบเลยใช่ไหมคะท่านลองเดี๋ยวอันนี้ก่อนใ่ไเป็นลูกก็ยังเป็ผ่ามสติปฐานของหลวงตาอยู่เสมอเออได้เหนือนกันเป็น ไปอ่านอนามยที่หลวงาาประเทศประศริษฐประทานเนี่ยอนามัเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ท่านอธิบายใช่ไหมแต่ท่านสรุปให้เราดูฟังง่ายกว่าไงคือเหมือนกับท่านย่อยให้เราในระดับนึงแล้วถ้าเราเป็นเด็กก็ไม่ต้องเคี้ยวมากนะท่านบดเนื้อให้เรากินสับเนื้อให้เราแล้วตีนตัดเข้าปากนะแต่ถ้าแบบนี้มันเป็นแบบเป็นเนื้อทั้งดุ้นยังต้องมาต้องมาตัดมาหั่น มาเี่ยวท่านจริงๆอาจจะมาถึงตอนที่ปฏิบัติจากจากวัสูุนี้แล้วเราไม่มีความรู้สึกว่าเราไม่มีอาจารย์นะมันมก็เรามีอาจารย์อยู่นะงั้นตอนที่บวชนั้นไม่เคยคิดถึงอาจารย์เลยยึ่งแต่คิดถึงสถานที่ที่จะอำนวยการปฏิบัติเท่านั้นแต่ก็โชคดีได้ไปเจออาจารย์ ที่รู้จริงเห็นจริงยิ่งทำให้มันเร็วขึ้นกับเก่าอีกแทนที่จะเป็น7ปีก็อาจจะเป็นแค่2ปีก็ไปได้สำเร็จได้ ถ้าหมอถ้าดูแล้วสายหน้าแสดงว่ายังไม่ถึงหน้าเพรายังห่างไกลไม่เห็นสายหน้แสดงว่าสายเดี๋ยวไม่รู้ตัวที่ได้เป็นลึกขอสายเพราะว่านี่ก็ตอนจบท้ายสอนพวกฝรังก็บอกเขาว่าถ้าอยู่สนใจต้างการรายละเอียดก็ให้ไปเสิร์ชคำว่า four foundation of mindfulness ในอินเทอร์เน็ตได้ ในนั้นจะมีข้อสูตรนี้ที่จะมีรายละเอียดสําหรับการปฏิบัติเดี๋ยวรู้ว่ามันอ่านภาษาอังกฤษมันจะยากเนื้อผู้สอบใช่ถ้าเราไม่ถนัดนะแต่ไม่่ะไม่นัดบแบบนี้สมไมนั้นกลับมาทำไมนั้นกลับมาทำหนุนอกใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้อ่านภาษาไทยมานานเราภาษาไทยเราก็เรียนจบแค่ปงเราจึงไม่กล้าอ่านหนังสือธรรมะพ่อมันอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง ก็พอดีมีมีได้หนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะตอนต้นได้ได้เป็นเล่มเล็กๆพอหลังเขาไปถอดเอาคาพูดของพระพุทธเจ้าในข้สูตรต่างๆเกี่ยวกับที่ท่านแสดงเรื่องอนิจจังแล้วเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับคาความคิดเห็นของนักปราชญ์ชาตะวันตกก็เห็นเหมือนกันต่างกันตงที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วรู้จักวิธีปฏิบัติ แต่ทางท่านตะวันตกเขาเห็นร้าแต่เขาเขาปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติทำยังไงเขาเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วเขไม่รู้จะทําอย่างไรกับมันแต่พระเจ้าเห็นแล้วก็บอกว่าให้ปล่อยเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็แนะนําวิธีปล่อยก็คือให้เจริญสติปัฏฐานสีเป็นเครื่องมือก็เลยเขียนหนังสือไปขอหนังสือเล่มนี้เข้ามาไปซื้อหนังสือเล่มนี้เข้ามา ซึ่งเขามีพิมพ์ตีพิมพ์ขายอยู่ที่ศรีลังกาเ้าก็จะไปรวบรวมรวบรวมคําสอนที่เกี่ยวกับสติปัฏฐานในพระตไตรปิฎกมารวมเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็อ่านอ่านไปอ่านไป <c oughs> แล้วก็เริ่มปฏิบัติตามทั้นตอนนี้ก็สอนให้นั่งอยู่คนไม้นั่งตามที่สงบนั่งถัดสมาธิตั้งตัวให้จง กำหนดดูลมหายใจเท่าออกหายใจเท่ากับลุหายใจออกเท่าลุนั่งไปจนตานั่งไม่ได้ลุขึ้นมาก็ให้มีสติรูเพราะว่ากำลังลุกกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังทําอะไรอยู่มันก็เลยกลายเป็นงานปฏิบัติไปทั้งวันอยู่ในตัว ม, มันสอนโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยถ้าลองเข้าเข้ า, ข า, ขาพิสูจนี่แล้วมันทํางานอย่าง อ, างอื่นไม่ได้ก็แมันมีงานอย่างนี้เขาให้ทำํทำทําได้แต่ต้องมีสติอยู่กับการที่เราทํางาน เช่นเราเป็นนักวิทยะเราทําคํานวณแล้วก็นั่งอยู่กับการคํานวณไม่มีคํานวณไปก็คิดถึงคนที่บ้างคิดถึง <c oughs> เวลาที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ตาตาอย่างเงี้มันก็ไม่มีสติอยู่กับการงานเท่านั้นจ้ะแต่ว่า <c oughs> ผู้ที่ไม่ดีก็ตามหรือเลยขโมยก็ตามผู้นั้นก็มีสติอยู่มีมีสมาธิอยู่ใช่หรือไม่ <c oughs> แต่นั้นเป็นสมาธิที่ยังมีก ใช่คือสติเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะอยู่กับคนดีเสมอไปคน <Okay. S 1> ชั่วก็มีสติได้เพราะว่าชั่วดีมันอยู่ที่มิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ <Okay. S 1> มันไม่ได้อยู่ที่สติดังนั้นอย่างพระองคุลิมาท่านก็ทําชั่วต้องต้องฆ่าคนต้อง999คนท่านก็ต้องมีสติเพื่อฆ่าคนได้ แต่ท่านมีมิจฉาทิฏฐิท่านถึงไปทําชั่วสตินี้ก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือเครื่องมือที่จะที่จะเอาไปใช้ในทางไหนก็ได้ <Okay. S 1> ถ้ามีสติแล้วไปใช้ในทางชั่วก็ได้ <Okay. S 1> ก็เป็นมิจฉามันก็มิจฉาทิฏฐิพาไปถ้าสัมมาทิฏฐิพาไปก็จะพาไปสื่อการทําจิตให้สงบคือจะเอาเข้าข้างไหนนั่นเอง ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะเอาออกไปข้างนอกจุงจูงจิตออกไปข้างนอก <c oughs> คนที่วางแผนทําอะไรต่างๆนี่ต้องมีสติวางแผนป้นธนาคารอย่างเงี้ยทำอะไรมันก็ต้องมีสติมีปัญญาด้วยแต่มันเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าคนที่ไม่มีสติก็เขาเรียกว่าคนบ้าไงมันไม่มีสติ คนที่ไม่รู้ทำอะไรสเปะสปะไปมีบ้างแต่ับไ ม, ไม่มีไม่พอที่จะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันได้มีไปแค่ดูแลร่างกายตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยน้ำท่ายังไม่อาบเลยเสื้อผ้าก็ไม่ซัง่งเนี่ยมีสติเพียงแต่พอที่จะกินได้เท่านี้ก็ถ้าพูดก็เหมือนกับในระดับของเดราชานนี้ หากินหานอนหาอยู่ไปได้ทั้งนี้แต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสติที่จะดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็ไม่รู้ว่าจะไปรักษาตัวอยางไรางทีก็ปล่อยให้มันเจ็บไปน อ, น ต, ป น, อ, น, น, อ น, นตายไปก็มีนอนข้างคนนตายไปก็มี น, นีนจ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าคนที่เขาคิดเอวางระเบิดไอตึกเวอ t r a d e เนี่ยก็ต้องมีต้องสติทั้งปัญญ า, อ, าอีที่มนะีอิทธิบาทสีแต่มันอีทธิบาสทสี่ของของมิจฉาทิฏฐิมันต้องมันต้องมีมันต้องมีชั้นท่าละมันต้องมีความพอใจที่จะ เช่นจะวางแผนที่จะขับเรือบินชนตึกเนี่ยแล้วก็ต้องมีวิทยาไปศึกษาวิธีขับเรือบินไปศึกษาอะไรต่างๆที่จะทําให้วางทำให้งานนี้สําเร็จไปได้จิตตะก็มีใจจดจอ่อขับงานนี้งานเดียวไม่ไปเที่ยวที่นั่นไม่ไปทําอะไรงานอย่างอื่นน่ยวางแผนที่พวกนี้ว่าก็วางแผนต้องหลายเดือ น, น ถ้าท่านจะพูดเรงนี้ลบก็ใจแลอย่างนี้มันต้องสินเป็นบาตเบื้องต้นะใช่ไหมคะสินต้องเป็นบาตเบื้องต้นเลยทานนะทานเป็นบาทเบื้องต้นทานเป็นบาตเบื้องต้นทานต้องรองต้องเป็นที่สนับสนุนสินอีกทีเพคนที่ให้ทานจะเป็นคนที่มีจิตเมตตากรุณาก็จะมีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็จะไม่เบียดเบียนใครแล้วเวลาวางแผนทําอะไรก็จะคิดแต่ทางที่ดี แต่ถ้าไม่มีทานนี่มันมันศีลก็รักษาลำบากนะเพราะว่ายัางโลคยังอยากยังอยากได้ยังเห็นแก่ตัวอยู่คนที่ให้ทานนี่เป็นคนที่เห็นกกบผู้อื่นทีนี้ที่ท่านสอนพระท่านก็เลยตัดทานออกไปเพราะพระท่านบอยจากหมดแล้วท่านเสียสละหมดแล้วท่านให้หมดแล้วสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอย่างพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติ ไปหมดแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลามาสอนเรื่องให้ทานเดี๋ยวก็พระก็จะเป็นบ้าไปหาเงินมามามาทําทานกันอีกได้ไหมทานมาถึงให้ให้สละในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วต่างหากไม่ได้ให้ไปหาเงินมาเพื่อมา ท, ทาําทานเหมือนคนบางคนเห็นเขาทาทานก็อยากจะทําทานเหมือนเขาตัวเองไม่มีก็เลยว่าออต้องไปทําต้องไปหาเงินหาเงินก็ต้องไปทําผิดศีลก็าบอกเงี้ยไม่ได้เงินอะ่ะก็ไหวไง เขาอะไรรู้สึกขัดในตัวเขาไงว่าเอ๊ะเราทำถูกรึเปล่าเนี่ยเราทำทานแต่การที่จะหาเงินมาทำทานทำบุญนี่เราต้องโกหกเขาเนี่ยเขาอบางคนเาม า, มาคุยมาถามเราเราก็ต้องอธิบายว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นการให้ทานหมายถึงให้เงินที่เรามีเหลืออยู่ที่เราไม่มีความจำเป็นแล้วให้มีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้น มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยอืให้ไปหมดแล้วก็จบเพราฉะนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องให้ไม่ทําดีกว่าที่ไปทําผิดแล้วมาเอาเอามาทําทานไม่ต้องไปทำแล้วเพราะมันไ ม, ไม่ไม่จําเป็นมันไม่มีมก็ไม่ต้องทําอแต่ถึงว่าจะไม่มีมันก็ยังมีได้เข้าทัาพพี่หนึ่งมันก็ยังให้ได้ถ้าจะให้ คขอให้เราเป็นคนใจกว้างอย่าอย่าเป็นคนตนีอย่าขี้เนียวะจะเห็นใครเดือดร้อนเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ล้วก็ช่วยเหลือเขาไปคุณบนาญ น, นี่นที่ลงพิมพ์ที่ลงพิมมาจะทาลูกมาร อ, อูรกคน น, น, นนี้ก็มีสมัมนปา น, นะครับนี่สัมนานมาคุณตามา ต well. ้องกินอะไรก็มีเลยใช่ฮ่าฮ่าฮ่ต้องินงนหมดเล้อเลย เพื่อนูกที่อยู่เดนมาร์กอ่ะค่ะก็าฝากเป็นถามท่านอาจารย์นะ ค, คือเขาอ่านหนังสือทุกเล่มเลยอ่ะค่ะแล้วก็มีเวลาว่างเขาก็ปฏิบัติอะไรเงรี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้เขามีคําถามว่าเขานั่งสมาธิไปนานๆ น, นะ ค, <c oughs> คือเขานั่งได้เยอะแล้วล่หานั่งไปนานๆแล้วก็มีความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรขึ้นมาอยู่ในจิตเขา <c oughs> เวลาเขาหายใจเข้ามันก็นกพูดเหมือนกับพูดว่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วพอหายใจออกกระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่างนีง้เขาให้ปากเรียนถามด้านอาจารย์ว่ามันเป็นอุปทานมันควรจะทำไงกับความรู้สึกอันเนี้ยค่ะ คือเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเหรอคือเขาไม่ไม่ได้ไม่ใหญ่เขาก็ไม่รู้มันมันอยู่ไปมันถึงอยู่มันก็มีมีความรู้สึกว่าเกิดขึ้ตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างเนี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอุปทานหรือว่าคุณจะทํายังไงหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รู้ให้รู้เฉยๆก็แล้วกันให้รู้เฉยๆเอ่อให้รู้แล้วก็รู้ว่าเขาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มันเป็นคำบูทานขึ้นมาในใจเขาเลยอ่ามันเหมือนกับคิดหาๆเหมือนอย่างนี้ค่ะมืนขึ้นในขณะที่ในขณะที่ก็ดูลมใช่ไหมใช่่ะใช่่ะใช่ใช่ ก็ก็ไม่เป็นไรก็ให้ถือว่าเป็นเหมือนพุทโธไปไงให้เหมือนพุทโธไปก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับความนั้นไปก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างนั้นก็ได้แต่ข้อสําคัญอยากให้ไปคิดอย่างอื่นแล้วก็อย่าไปรังเกียจอย่าไปอยากให้มันหายถ้าสมมติถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับมันก็เพียงแต่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่กับมันไปก็ได้เพราะมันก็เป็นเหมือนอารมณ์อารมณ์อารมณ์ของการภาวนา เป็นเหมือนสุดโทหรือเป็นเหมือนกับการสวดมนต์หรือใดเขาสวดสั้นๆว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปมันก็มีความมุ่งเกิดขึ้นเองมันไม่ได้ตั้งใจมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเขาเคยพิจารณาอย่างนี้มาก่อนมันก็พอจิตเริ่มสงบแล้วมันก็จะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาเออก็ไม่เสียหายก็ใช้ได้เช่นเวลานั่งไปแล้วเจ็บแล้วมันปวดเนี่ยก็ให้เขาคิดกันครัเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไป บอกเขาไม่ต้องไปกังวลกายเรื่องความเจ็บปวดแล้วก็เลยมีคำถานที่สองเพราะ ว, ว่าเขานั่งไปคือเดิมเขานั่งไม่ได้นานเลยนะเขาก็มีปวดเวทนาเกิดขึ้นนี้เขาก็ไม่จะทำไงก็ไปอ่านหนังสือท่านอาจารย์นะบอกว่าให้ให้พุโธหรือไม่ก็ให้ใช้ปัญญาพิจาราว่ากายกใจมันแยกกันอะไรเขาก็ทําได้ดูนะฮะเานั่งไปได้สองชั่วโมงทุกนั่งได้นานสองชั่วโมงประจําแต่พอสองชั่วโมงเป๊ะมันไม่เอาแล้วมันเลิกมันไม่เอามันเลิกก็ถามว่าอย่างนี้จะให้เขานั่ง ทนนั่งต่อไปอีกหรือว่าให้ท่านถ้ามันนั่งต่อไปไม่ได้จริงๆก็ให้ลุกขึ้นมาเดินชมพมแทนก็ให้เดินหมดแล้วให้ท้อพิจารณาร่างกายแทนพิจารณาว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นทั้งคนของคนที่เรารักทั้งคนที่เราเกลียดทุกคนเหมือนกันหมดพิจารณาสลับไปสลับมาเรียว่าพิจารณาตายนอกพิจารณาตายในพิจารณาทั้งกายนอกทั้งกายในก็จะได้เกิดความเสมอภาค ถ้าลราคิดแต่ตัวเราจะตาย<ม>เราก็รู้สึกหมึดหมึใจเศร้าสุดเสียใจ<ม>ถ้าคิดว่าคนอื่นจะตายเราก็ห่วงก<ม>ังวลเขาแต่ถ้าเราคิดว่าเขาก็ตายเราก็ตายถ<ม>ึงเวลาต่างคนก็ ต, ต่างไปมันก็จะเกิดความเสมอภาค ม, มันก็จะปล่อยวาง<ม>เรื่องของร่างกายได้ก็ถามว่าจะให้ระคนนั่งต่อไปอีกไหมคะถ้าเขาอยากจะนั่งถ้าเขาอยากจะทําให้นั่งให้ได้ก็ดีถ้าเขานั่งแล้วสามารถที่จะสงบต่อไปได้อีกก็ดี แต่ถ้าเขาคิดว่านั่งไม่ได้แล้วเขาก็ต้องรู้ก็อย่าเพิ่งไปทําอย่างอื่นให้ลุกขึ้นมาเดินจมกรมมาพิจารณาจะเจรินทางด้านปัญญาบ้างดาพิจารณาทางด้านร่างกายบ้างก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาอยากจะลองแล้วนั่งไปตลอดหชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงได้ยิ่งดีอย่างที่หลวงตาท่านเทศว่าท่านมันมันจะผ่านเวทนาสามสามตัวด้วยกันตัวแรกจะเกิดขึ้นประมาณชั่วโมงแรกตัวที่สองประมาณสักสาม สองสามชั่วโมงแล้วตัวที่สี่เมื่อสี่ชั่วโมงไปแล้วไอ้ตัวนี้มันจะแบบว่าเหมือกับตัวใหญ่มืนกับช้างตัวแรกเหมือนกับหนูเอตัวสุดท้ายนี่เหมือนกับช้างเหมือนกับโดนช้างเหยียบร่างกายนียน อ, อวัยวะร่างกายทุกส่วนนี่มันจะระเบิดแตกแยกออกไปจากกันถ้าสามารถนั่งผ่านท่านนั้นไปได้แล้วท่านก็ว่าไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลย เ, เขาบอกว่าบางทีเขากลัวขาเขามันไม่เป็นไม่เป็นไรไ ม, ไรไม่ไม่เป็นอะไรหรอก<ม>ถ้านั่งเป็นชั่วครั้งชั่วคราวครั้งสองครั้งนี้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหา<ม>แต่ถ้านั่งเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยเป็นปัญหาได้<ม>ถึงต้องมีการเปลี่ยนนิรยาบทนะ<ม>แต่เป็นแต่ว่าบางครั้งบางคราวเหมือนกับเป็นการทดสอบจิตใจเป็นการทดสอบพลังของธรรมกับของกิเลส<ม>ตอนนั้นก็จะต้องต้องใช้เวลามากหน่อย แต่ถ้าพอเราผ่านนี้ไปได้แล้วเราก็ไม่ต้องนั่งไปตลอกเรารู้แล้วเราผ่านมันได้แล้วเราก็ไม่ไม่กลัวมันละมันจะมาขนาดไหนอย่างไรเรารู้วิธีรับมันละเราก็ไม่ต้องนั่งไปแบบนั้นอีกแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนระยะบทพยายามารักษาระยะบทให้มันเท่าเทียมกันนั่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วลุกขึ้นมาเดินสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือต่อไปเนี่ยพอมันเริ่มเจริญปัญญาแล้วมันจะเดินมากกว่า น, นั่ง เพมันต้องพิจารณาแยกเยะสิ่งต่างๆนี่มันจะต้องใช้การคิดใน้ทางกาเดินมันจะมันเดินมันจะมันจะมันจะเพลินกว่านั่งเดินไปแล้วมันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดด้วยเมยเลยทีเดินได้ทั้งเป็นหกเจ็ดชั่วโมงเนี่ยที่เรามีดินจนฝ่าเท้าแตกเพราะมันเพลินกับการพิจารณาฉะนั้น บอ ก, กว่าถ้าเขายังอยากจะนั่งต่อแล้วอยากจะให้มันผ่านใทุกเวทนานี้นได้ก็ให้นั่งไ ป, ไปแ<ต>ไไล้กลุกก็มาเดินพิ<ห>จารณาร่างกายแทนก็ได้สลับกันพอเดินจนเมื่อยเราอยากจะนั่งค่อยกลับไปนั่งต่อใหม่หแล้วก็เอาอีกรอบหนึ่ ง, งสลับกันไปเงี้ยถ้าไม่มีกิจอย่างอื่นจะต้องทําก็ทํามันทั้งวันเงี้ยสลับกันนั่งกับเดินไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องผ่านไปได้ เมื่หวานเขาเขียนอีเมลมาถามท่านอาจารย์โ อ, อมันไม่มีภาษาไม่มีภาษาไทยโอ้เพื่อผมเขาทราบว่าท่านอาจารย์ตอบเขาในภาษาอังกฤษได้แต่เขาไม่ถนัดที่จะเขียนภาษาอังกฤษเพราะสนัดจต่ภาษาเดนมิชมากกว่าแล้วเราก็ตอบไม่ค่อยได้ยาวด้วยมันมันไม่ได้ละ เ, เอียด สู้สู้ตอแบบพูดคุยกันดีกว่ามันกลัวว่าจะสื่อสารเขาไม่ครบ 100% ยเนต์งฮะเขาถามมาไม่เข้าใจเขาคำถามเขาเท่าไหร่แล้วจากท่านอาจารย์อธิบายเขามันอาจจะหลุดไปไม่ถึง 100% ยเอร์เซ็นตาจจะเจ็แปดสิบแต่ก็บอกไม่เป็นไรเจ็ดแปดสิบก็โอเคมันหายแ่้พอจะเข้าใจไหมนะพอจะเข้าใจฮะรู้สึก ที่นั่นบรรยากาศก็ดีเขาปฏิบัติได้ดีมากบางทีอยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านใช่แม่บ้านนะแล้วฝรั่บ้านฝรั่งนี่ส่วนใหญ่เขาเงียบเขาเงียบเขาเขาอิจฉาเขานั่งได้สองชั่วมงหรือถึงแล้วมันฝรั่งมันไม่มีที่ไปหรอกคนอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่มันก็ต้องอยู่ในในบ้านถ้าออกไปก็ไปทํากิจธุระไปชอปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของ มันก็ออกไปรับประทานอาหารไปชมภาพวิตญาณนอกจากนั้นมันไม่มีที่ไปไม่เหมือนเมืองไทยเรารู้สึกที่ไปเพื่อนฝูงเยอะเพื่อนฝูงก็เยอะ คนที่เขาอยู่เมืองไทยอยู่เมืงเทียแล้วไปอยู่ที่ไหนเหมือนไปตกน้ำล็อกน้ำอาจริงๆไม่มีอาจจะไมเหมือนเมืองไทยหรอกเรื่องกินนี่ยีบสชั่วโมงอะกินดีก็ละครเป็นยังไงคุณพ่อเป็นยังไงพ่อช่วงนี้รู้สึก ก็รู้สึกอารมณ์อะไรดีที่ไหนครับแต่ก็อยากจะเที่ยวทุกวันคือท่านว่าง <c oughs> อ่ะอนนี้ปกดิคุณพ่อแล้วก็จะอยู่กับพี่ชายพอผมไปที่รายคือปกติแล้วผมจะไปวันอาทิตย์ไปก็คือพาท่านไปเที่ยวไปกินบางทีวันธรรมดาไปท่านก็นถามว่างไหมจะไปเที่ยวอย่าไงเงี <c oughs> ย้ยคือทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นเงาไงคนแก่ก็เงาที่บ้านก็เงาก็มีโอกาสพาไปได้ก็พาไปนั่งรดชั่วโมงก็ยังดีค คิดเสียว่าเวลาเรากับท่านมันน้อยลงน้อยลงทั้งวันก็เปลกเวลาให้ท่านได้ก็เปกี่ครับเป็นบุญเป็นกุศลให้ความสุขเขาได้คือทิ่คนท่านอยู่ในระดับนี้ก็ต้องทําแบบนี้ไปครับท่านแองแค่พอพอย่างนี้ลูกก็สงสัยว่าถ้าดังนั้นเนี่ย สมมติว่าพ่อคุณทุงคนเนี่ยปฏิบัติมาถึงระดับหนึ่งคือการที่กลับมามีมีความคิดเหมือนเด็กเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของสังขารเอ่อตรงนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวขกับจิตเลยไอ้การที่อยากจะไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยมันมันก็เกี่ยวเพียงแต่ว่าคือสมัยที่ท่านมีกำลังวังชาเนี่ท่านไปของท่านได้ทํางท่านเองได้ ท่านก็จะไปทําในสิ่งที่มันก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เพราะท่านทำของท่านเองได้แต่พอท่านทําเองไม่ได้ท่านก็ต้องอา ศ, าศาัยคนอื่นก็เป็นเหมือนเด็กเด็กร้องขอให้พ่อให้แม่พาไปเที่ยวที่นั่นพาไปท ำ, น, น, ทำนู่นทําำนี่เพราะตอนเองทําไม่ได้ด้วยตนเองแต่จิตไม่ได้เสื่อมจิตเที่ยงจิตก็ไปตามภาษาของกิเลสมือนเดิม แต่ผู้ที่สมมติในสีขั้นของภาราารเนี่ยถึงจะถึงจะนั่นนะสังขารเสื่อมเนี่ยติดตรงนั้นไม่เสื่อมไม่เสื่ทอมเลยพอละเรื่องกันเพรละเหมือนคนสองคนคนหนึ่งแก่ลงแก่ลงใจคนหนึ่งมีอายุยืนยาวนานไม่แก่ความลืมอันนั้นก็เป็นความหลงลืมเรื่องเรื่องของความหลงลืมมันเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของสันตญาอันนั้นเป็นธรรมดาเพราะมันเกี่ยวกับร่างกาย มันร่างกายมันไม่สามารถที่จะรักษาข้อมูลให้กับจิตได้มันก็เลยลืมได้แต่มีบางอย่างที่มันไม่ลืมอ่ะเช่นถ้าจิตท่านลึกชาติได้อย่างเงี้ยมันจะไปลืมอะไร <c oughs> ใช่ไหมจิตบางรูปนี่ท่านร ล, ลึกชาติได้แล้วลึกมันเกิดของท่านตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันท่านทําอะไรมาบั่งท่านไม่ลืม แต่ น, นี้มันเป็นจิตพิเศษเนี่ยที่ได้รับทัตได้การพัฒนาให้เป็นอธิจิตจากจิตธรรมดาเป็นอธิอธิแล้วยิ่งใหญ่ <c oughs> คือมีฌานอะไรพวกนี้เขาเรียกจิตที่มีอธิจิตเรือนี่มีอภิญยาหรือถ้าเป็นพระพีนาสุบท่านก็มีจิตที่บริสุทธิ์ท่านก็จะไม่ลืมเรื่องอริยสัจแต่ท่านยังลืมชื่อคนได้ลืมหน้าคนได้ นานๆเจอบงทีก็ต้องนึกไปก่อนว่าขายใช่คนนี้หรือเปล่าเพราะเวลามันเปลี่ยนไปหน้าตาเขาก็เปลี่ยนไปด้วยนี้มันก็ลืมได้ลืมวันเวลาลืมวันที่ว่าวันที่วันก่อนนั้นวันที่เท่าไหร่น้อไปทําอะไรที่ไหนนี่มันอาจจะลืมมันเวลาได้แต่เหตุการณ์ที่ทํานั้นอาจจะไม่ลืมถ้ามันเป็นอริยสัจนี่มันจะไม่ลืม มันก็ต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่ลืมได้กับสิ่งที่ลืมไม่ได้อย่างที่มีในพระไตรปิฎกที่เคยค้นถามปัญหาว่าพระอระหันต์ลืมได้ไหมไ ด, ได้ใช่ไหมก็ลืมวันที่ลืมอะไรบางทีกินยาไปแล้วบางทีก็ลืมไม่ได้กินหรือยางท่านเล่าว่าเวลาท่านฉันยานี้ที่ต้องทําแบบเป็นระบบเนี่ยยาที่ยังไม่ฉันวางไว้ตรงนีน้ก่อน พ<ม>อชั้นทรายบ ไ, <ป S 2> ไว้ตรงนี้พอจะรู้เอาอันนี้ฉันแล้ว <c oughs> ถ้าอยู่ทางนี้ถ้าไอพวกนี้ยังไม่ชั้นอนะ่ะชั้นแพวกนี้อาจจะทําอะไรอยู่เนี่ยแล้วเกิดคนอื่นมามารอ ก, กวนมาคุยมาถามอะไรครับต้องคุยเขาคุยเสร็จไอ้เมื่อ ก, กี้กินหรือ ย, ยังอะ <c oughs> ใช่ไหมนี่เพื่อการลืมก็เลยทําให้มันเป็นระบบเสียเออยาอันนี้ยังไม่กินเอาไว้ตรงนี้ก่อนพอกินแล้วเอาไว้มาไว้ตรงนี้ มันก็มีปัญญาคอยสกัดความควาจำได้ได้ได้ได้ใ น, นระดับนึงถ้าเราเป็นคนที่เลื่อมเราก็จดไว้เสร็จเนี่ยอะไรกรจดจ ด, จดมันไว้ก่อนจดจดมันไว้ก่อนมันเพมันไว้จำไม่ได้ว่าจดไว้ตรงไหนเป่วยหรือยังแสดงว่าหมดแล้วใช่มจ้ะแต่โดยเฉลบก็คือจิต ก, กาบกายมันไปคนละทางกัน okay. จิตบางทีที้พัฒนายิ่งอายุมากยิ่งพัฒนาสูงขึ้นแต่ร่างกายกลับเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยๆ mm hmm. จะว่าตัวพัฒนาของจิตก็อยู่ที่ตัวกิเลสตัวธรรมถ้าจิตพัฒนามากขึ้นธรรมก็จะมากขึ้นกิเลสก็จ ะ, จะน้อยลงถ้าจิตเสื่อมก็คือธรรมะน้อยลงกิเลสมากขึ้นอันนี้มันไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลามันขึ้นกับขึ้นกับเจ้าของจิตเองว่าจะ จะปล่อยให้ไปในทางไหนถ้าปล่อยให้ไหลไปทางกิเลสมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆถ้าฉุดล่างให้ไปในทางธรรมะมันก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอาการลิโกไงนี่คือตัวอาการลิโก้ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาแต่ร่างกายนี่มันเป็นไปโดยอันตโนมัติตามการตามเวลาทุกคนเมื่อมันถึงขั้นเจริญสูงสุดแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมลงไป เช่นอายุ40เป็นจุดสูงสุดของการเจริญะหลังจากนั้นมันก็จะกินน้อยลงกินน้อยลงแล้วมันก็จะมันก็จะแก่ลงไปแก่ลงไปเจนในที่สุดมันก็หยุดทำงานเรฉนั้นเรามาพัฒนาจิตกันดีกว่าร่างกายฝ่อยมันไ ป, ไปตามธรรมชาติของมัน แต่อาบน้าหอับทาไม่ให้มันไม่ให้มันสกรลรก็ไม่ให้มันสะอาดเรียบร้อยก็พอแนละ้วไม่ต้องไปไปกังวลกับเรื่องผิวฝ้าเรื่องเฉียวย่น <c oughs> ไม่ต้องไปทาหน้าทาบ <c oughs> นอกจากมันมีความจำเป็นทางทางสังคมทางอะไรที่ต้องทำก็ทาไป ทำไปจำเป็นจะสบายๆดีกว่าอย่าไปทำเพราะอยากทำทำเพราะจำเป็นต้องทำสาระเทศะสังคมบังคับให้ทำบางที เพื่อนของลูกร้านแต่งงานต้องไปงานอย่เขาเนี้ยไม่ใช่ใส่ชุดขาวไปเหมือนใส่ชุดไปวัดใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องพรอมีกาละเทศะเอาผ้าทาหน้าบ้างทาคิ้วบ้างอะไรพอให้มัน แ ต, แต่ยาราเป็นแบบพวกพระเอกลิเกตาแล้วจําหน้าหน้าถองเจ้าของไม่ได้เป็นใครกันนะคนบางคนที่เวลาออกงานนี่หน้าตายอย่างเ <c oughs> วลาอยู่บ้านนี่หน้าตายอย่าง <c oughs> อ่าบางคนที่เขาเข้าสังคมแล้วก็ถ่ายรูปในนังนฟิร์สทีเห็นหน้าก็อย่าง <c oughs> พอเวลาเข้ามาว่านี่จำไม่ได้เลยแล้วพอ <c oughs> แล้วก็ไม่แต่งหน้าแต่งตาเ น, นี่ยดู ใครรเปล่านันนี้นนี้ไม่มีตุลาอะไรเลยแม่อางสือมาให้เหลยออฟัททงทำกเอโดยีฉพาะแเม่มไม่มีปัญหาที่ถามม่้ยังก็ลวเดวนี้พยายามลดปัญหาลงลดปัญหาหนสุดแล้วก็หาเวลปาปฏิบัติถามว่าปัญหามันจำเป็นไหมถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็อยากไปรู้มัน ปัญหาที่ควรจะรู้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทาง ท, ที่จะทำอะรที่ถาปัญหาทำล้วนๆเลยแม่จังแร้ว <c oughs> ปัญหาอย่างอื่นก็มันก็ที่มันเกิดจากทางคิดของเราเองคิดอยากจะรู้อยากจะเห็นไปแล้วถ้าเราได้คําตอบมันก็ไม่ได้เป็นปัญญาแต่ถ้าเราคิดถ้าเราเกิดปัญหาขึ้นมาเองเราคิดหาคําตอบของเราได้เองเนี่ยมันจะเป็นปัญญาจริง มันทำให้ทำไมถึงเป็นอย่างนาักวิทยาศาสตร์ที่ก็นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วเห็นลูกแอปเปิลหล่นลงมาเนี่ยเขาก็ถามว่าทำไมมันต้องหล่นลงมาทาไ ม, มไม่ลอยขึ้นไปนี <c> ่ไ <oughs> อันนี้เขามีเขามีปัญหาขึ้นมาในใจแเขาก็หาคำตอบด้วยตัวเขาเองเพราะว่าเอออาจจะมีเพราะว่ามีอะไรดึงมันลงมามะะไหมเนี่ยเขาก็เลยพิสูจดูเขาก็พิสูจน์ด้ว่าเออมันมีจริงๆ ว่อย่างที่าก็คิดสูตว่าไอ้ของหนักหนึ่งกิโลกับอ้เหล็กกับขนนกเวลามันลงในถ้ามันอยู่ในสุญญากาศไม่มีอากาศที่จะมาต้านเนี่ยมันจะลงมาพ้องกันเนาเขาก็ลองทดูมมันก็ลงมาพ้องกันที่ขนนกมันลอยลงมาช้ากว่าก้อนหินก็เพราะว่าก้อนหินมันมันมีมันมีแรงที่จะแรงที่จะสู้กับไอ้ความต้านของ ข อ, ของอากาศได้แต่คนนกนี่มันมันแผ่มันกว้างกว่ามันก็มีแรงต้านมากกว่ามันก็เลยเหล่นลงมาช้า ก, กว่าแต่ความจริงแล้วมันมันลงมาพอมกันได้แรงดึงดูดของโลกมันเท่ากัน เนี่พอากเกิดจากความคิดก้อนนี้ทางการินทางโลกก็เลยเกิดขึ้นจัรหลวดเอยเครื่องบินเออยอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นจากความรู้อันนี้นะนิวตั้งหนิวตั้นีก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเข้าใจอริยสัจสี่ก็ทําให้เกิดมีพระอริ ย, ยะขึ้นมาเป็นจํานวนมากมีศาสนาพุทธ้างขึ้นมา ทุกทีทุอย่างนี้ก็เกิดขึ้นจากนักบวชแต่ละคนที่มีความมีปัญหาถามตัวเองพระพุทธเจ้าถามว่าไม่เกิดได้ไหม น, นี่คือเป็นปัญหาของพระพุทเจ้าไม่อยากเกิดเพราะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมีวิธีทําให้ไม่เกิดไหมนัม่นก็สวงหาจนหาจนพบว่ามีนี่มันก็ไปได้สองทาง นักปราชญ์ทางโลกเขาก็จะมาทางคิดค้นเนี่ยต่อจากนิวตันก็มาไอน์สไตน์ก็คิดค้นเรื่องเรื่องปรมัมมานูเรื่องวิธีระเบิดปรมัมมานูให้สามารถให้มันให้มัน <c oughs> ให้มันแผ่พลังงานออกมาได้เป็นจํานวนมากเนี่ยก็เลยกลายเป็นลูกระเบิดแต่นี่มันทำไปโดยที่จิตไม่มีศีลไงเนี่ ย, ยมีปัญญาแต่ไม่มีศีล เามีสินจะคิดเั่าไหนว่าให้ถ้าถ้าเราไปทำนี้แล้วคน เ, เราไปทำลุ่ระเบิดนี่ยวามรู้นี่มันไม่ดี เ, เราอย่าไปเผยแผ่ดีกว่าเรามรู้เราเก็บไว้เฉยๆมันก็จะได้ไม่ไม่ไม่ไปเป็นโทษนคนที่นางาซากิฮิโรชิมาเนี่ยตายไปตั้งกี่แสนคน ตายเพราะความคิดอันนี้เกิดจากความรู้อันนี้นี่ถือเป็นความคิดที่เป็นบาปกันครับเป็นมีส่วนก็มันมันความคิดอันนั้นไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าคนที่เอาไปใช้มันบาปใ ช, ใช่ไหมความคิดมันเป็นความคิดกลางๆที่อยู่ที่คนที่ขี้อยากความรู้เนี่ยไปใช้ให้ไปเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ได้ถ้าเอาไปทําผลิตไฟฟ้าโร ง, งงานในไฟฟ้าอันนี้มันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ นี่คนที่เริ่มคิดคนนี้พอดีเขามันไม่มีสี เ, เขาไม่มีไม่มีปัญญาที่มีสัมมาทิฏฐิพอที่จะรู้ว่าไอความรู้อันนี้ยมันจะเกิดโทษเกิดคุณมากน้อยเพียงไร <c oughs> เขาก็ทําไปตามเรื่องของเขาเขารู้แล้วเขาก็อามาเผยแผ่ทําเป็นทําเป็นเอกสารออกมาให้คนอื่นเขาไปพิสูจน์ดูเขาก็ไปต่อยอดกันถ้าอย่างนี้ได้ก็ทํานี้ต่อได้ทำต่อต่อก็เลยเอาไปทําเป็นโรงงานไฟฟ้าก็ได้เอาไประเบิดเอาไปฆ่าคนก็ได้พวกเป็นทหารเขาก็ต้องเอาไปทําระเบิดเนี่ยเพราะเขามีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องประเทศชาติเขาก็เออมีอาวุธอย่างนี้ก็ดีมีไว้ป้องกัน พวกพี่เขาคิดในทางดีเขาก็เออที่เอาไปทําผลิตไฟฟ้าควรจะได้มีไฟฟ้าใช้ยอยู่อย่างเย็นเปนสุขเ้าก็าไปทําไฟฟ้าถ้าทุกคนมีศีลเขาก็จะรู้ว่าควรจะไปทําอะไร ถ, ถ้าทุกคนมีศีลมันก็ไม่มีสงครมมมามใช่หไหมก็ต่างคนก็ต่างอยู่อย่างต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เบียดเบียนกันแต่ที่มันไม่มีศีลจิตใจของทุกคนมันมีกิเลส มีเท่าไหร่มันก็ไม่พอพอมันบ้านเราไม่พอก็ต้องไปหาของที่บ้านของคนอื่นเขาก็เลยต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเขานี่เรามีอาวุธที่ไปสามารถไปบังคับเขาได้เขาก็ยอมยอมให้เราก็เลยต่างคนต่างคิดผลิตอาวุธเพื่อหนึ่งตอนต้นก็เพื่อป้องกันตัวเองสองเพื่อขยายอำนาจของตัวเองให้แผร่กว้างขวางออกไป <c oughs> แต่นี่มันก็ย้อนกลับมาหาเรา เ, เราทําได้เขาก็ทำได้วันนี้เราอาจจะเก่งกว่าเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็เก่งกว่าเรามันก็ผัดกำรับผัดกำรับผัดกำลุ ก, ำล ก, ำลก็เป็นเวนเป็นกรรมกันมาไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> เขาจะถึงเสงสอนว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองต้องทางคนต่างต้องอยู่ด้วยด้วยด้วยการไม่จองเวรเนี่ยต้องให้อภยัย การโค่นตังอยู่อย่างสันติมีเมตตาการุณาโลกของเราทุกวันนี้มันไม่มีธรรมะมาคอยคุมอำนาจของกิเลสพอกิเลสมันมีช่องไปได้มันไปเลยถ้ามีปัญญาที่จะทําให้มันรอยขึ้นมันจะเอาก่อนแหละไม่ว่าจะด้วยวิธีดใดเห็นไหตอนนี้กิเลสกาลังจ้องใครจะขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวนี้ลนีะ ช่องกันเนี่ยโอ้โวุ่นกันทั้งวันเนี่ยวิ่งไปกันถ้าเป็นหมาก็หมาเดินก้าวโอ้ยอยู่ไม่เป็นสุกอ่ะตอนเนี้นยนอนกันไม่ได้กระสับกระส่ายโทรหากันวุ่นไปหมดจะรวมพรรคพวกกันอย่างไรฮะพ <c oughs> อเดียวกไม่กี่เดือนต้องปลลองกำลังกันแล้วเนี่ยนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้น ก, ก็เรียกว่าภาวะตันหาบางอยากนี่อยากเป็นเพื่อมาสนับสนุนการมาตันหาอีกเมื่อมีแล้วก็อยากจะอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็สามารถใช้อํนานาจของตนสั่งมาได้เป็นนายกนี่นั่งนั่งเครื่องบินได้ฟีใช่ไหมถ้าไปไหนก็มีเครื่องบินประจําตัวมีรถประจําตําแหน่งถ้าไม่เป็นนายกก็มไม่มี <c oughs> เวลาภาวนาแล้วมทีมันปรุงนะฮะจิตมันปุ้งตรนี้มันก็เหมือนกับเราเหมือนกับจะบอกเองเมอนกับมันจะบอย่างว่าให้อยู่กับปัจจุบันหรือการบริกรรมพุทโธอะไรแล้วแต่เพื่อเป็นการสอนตัวเองตรงนี้บางทีผมมันนั่งนึกว่าเอ๊ะตัวที่บอกนี่คืออะไรแล้วตัวที่ถูกบอกนี่คืออะไรมันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงก็ตัวเดียวกันใจสอนใจใจสอนใจใจสอนใจ ตัวนิ้คือธาตรู้หรือตัวที่ฟังก็ตัวตัวธาตรู้ตัวที่ตัวที่สอนก็คือตัวสังขาร ม, มันต้องใช้ความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวพูดคุยสอนใจถ้าสอนสอนในทางธรรมก็เป็นมรตถ้าสอนในทางกิเลสก็เป็นสมุทัยเป็นเฮ้ นั่งไม่ได้ก็ลุกไปหาอะไรมากินดีกว่าเลยไปเปิดอะไรดูดีกว่าอันนมันก็สอนไปอีกทางห น, งนึ่สอนนี้เรียกว่าสอนทางกิเลสพอสอนทางมากก็อ่ะโทรนเอาหน่อยนะตั้งสติใหม่เราเพลอเมื่อกี้เราไปคิดดังนี้หยุดคิดนะมันอยู่ตัวพุทโธนี่ก็สอนเหมือนกันคือใจนี่โดยตัวของมันเองเนี่ยถ้ามันขันหยุดทํางานมันใจก็จะเป็นเหมือนกับอ ะ, อะไร ตัวอู้เฉยเฉยลูอยู่เฉ ย, ยนเฉยแค่นี้สั่งแต่ว่าลูก่นทิพย์ไปทุนเสด็จตรงนี้เป็นตรงที่ลูกพิเชรนาเมื่ออยู่วัดดงตอนที่อยู่ที่วัดดงเนี่ย เจ้านาไปว่าทุกอย่างในโลกนี่มันเป็นธาตุหมดแม้แา่เดินเดินอยู่ก็รู้ว่ามันเป็นธาตุเป็นท่าตุเนธาตเรามาแต่พอไปนึกว่าจิตเนี่ยมันเป็นธาตุรูตัวหนึ่งแต่มันไปอิงกับธาตุทั้งสี่ที่เป็นดินน้ําลงไปลูกตรงนี้ลูกยังสับสนอยู่ระหว่างที่พิจารณาตอนนั้นอ๋อมันไม่อิงหรอมันคล้ายๆเหมือนกับจิตมันเป็นตัวตัวนี้แล้วมันไปเอาเอาตัวนี้มาเป็นสมบัติแล้วมันก็อาศัยตัวนี้เป็นเครื่องมือทํางาน ท่านนั่นเอง <Okay. S 1> มันเอาร่างกายมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะดูลูกฟังเสียงทำอะไรต่างๆจิตก็เป็นตัวหนึ่งแล้วมันก็ไปเอาธาตุสี่คือร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเพื่อที่จะพาให้มาที่นี่ได้ไปที่นั่นได้คนขับรถก็เป็นจิต่ง <Okay. S 1> จิตก็ไปซื้อรถมาคันหนึ่ง แล้วก็ยึดติดว่ารถคันนี้เป็นของฉันเป็นตัวฉันฉันไปไหนฉันก็ต้องเอารถคันนี้ไปด้วยแรถเป็นอะไรฉันก็เดือดร้อนวุ่นวายใจไปด้วยเพราะหลงไงมลงคิดว่ารถกับตัวฉันนี่เป็นตัวเดียวกันแต่ถ้ารู้อันนั้นเนี่ยเมื่อมันหมดแล้วเนี่ยนะคะท่านอาจารย์คะมันมันก็ออกไปอยู่มันจะหาก ควาจริงจะว่ามันอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นรูปธรรมเหมือนกับร่างกายมันอยู่คนละมิติกันแต่มันเชื่อมกันด้วยด้วยเรียกผัสสะอะไรไหมตาสัมผัสกับรูปก็เกิดผัสสะปรากฏขึ้นมาเป็นวิญญาณในจิตเนี่ยก็เหมือนกับไอ้โทรศัพท์สองเครื่องเนี่ยมันมันไม่ ไอ้ขึ้นมันก็มันก็เชื่อมกันได้ระหว่างที่มันเชื่อมเนี่ยนะท่านจะมีความรู้สึกว่าความปรุงแต่งของมันเกิดขึ้นในวินาทีนั้นใช่หรือไม่คะความปรุงแต่งมันมันมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลายกเว้นขณะที่มันสงบนิ่งอยู่ในฌานเท่านั้นอยู่ในที่เป็นเอกตาลมเท่านั้นที่ความปรุงแต่งมันจะไม่ทํางาน แต่พอแต่พอมันออกจากนั้นปัมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาทั้งละเอียดละเอียดเมื่อที่มันปรุงแต่งแบบละเอียดที่เราไม่รู้สึกตัวเช้นตือนขึ้นมาเรารู้สึกไม่สบายใจนี่มันเกิดจากการปรุงแต่งนะนั้นตั้งที่เราไม่รู้มันมันไม่สบายใจได้อย่างไรอาจจะเป็นว่าร่างกายมันไม่ค่อยดีมันก็ช่องผลกระทบทําให้สังขารมันปรุงไม่ในทางไม่ดีนะถ้าอย่างนั้นเวลาหลับสนิทก็หยุดการปรุงแต่งก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จะหยุดร้อยเอร์เซ็หรือไม่ก็ไม่รู้ ก็ท่านก็เปรียบเทียบมาว่าเวลาที่มันเป็นไอกตาลมเป็นฌานก็เป็นเหมือนกับตอนนอนหลับสนิทไม่ฝันถ้าฝันก็แสดงว่าเหมือนกับเวลานั่งสมาธิแล้มีนิมิตเห็นนั่นเห็นนี้อันนั้นก็เป็นเหมือนกับนั่งนั่งฝันแต่เวลานอนหลับมันก็นอนหลับฝันมันต่างกันตรงที่เวลานั่งฝันมันมีสติสัมปชัญญะแต่เวลานอนหลับสติสัมปชัญญะมันไม่มีมันมีก็น้อยมากเพียงแต่พอที่จะ ติดตามเรื่องราวต่างๆในฝันได้พอตื่นขึ้นมาปั๊บไอ้เรื่องนั้นหายไปหมดเลยสติตั ว, ต, วตัวสติขึ้นมาเรื่องอื่นนะเข้ามาทันทีเลยพอตืนต่นปั๊บจิตมันจะเริ่มถามตัวเองว่าอยู่ตรงไห น, นทําอะไรกําลังทำอะไรอยู่ดูนาฬิกงนาฬิกามันทํางานอย่างอื่นลนะพอจันทร์ย้อนกลับไปให้ไม่คีดฝันเรื่องอะไรนั่งคิดตรงนั้นนึกไม่ออกนะ <Thank> แต่บางทีออกนะาบางทีเราฝันเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาปับเราเร า, เราอยากจะเละย้อนกลับไป น, นี่เราหยุดคิดเรื่องอื่นเลยแล้วนั่งสงบสติแล้วพยายามย้อนไปก็ยังพอจะเลือกได้อ๋อกำลับงาบางทีกำลังฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ดดอันที่นี่เขาพูดที่บอกธาตุรู้กับธรมมธาตุแล้วก็จิตที่บริสุทธิ์คืออันเดียวกันใช่ไหมไม่ธาตุรู้นี่หรือธาตุรู้นี่เป็นเป็นจิตของของทั้งกิเลสธาตุรู้นี่คือเป็นเป็นจิตของของทุกคนจะเป็นปุถุชนหรือเป็นของของพระ อ, อริยะ ก, ก็เราก็เรียกว่าธาตุรู้เหมือนกันส่วนธรรมธาตุหรือจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นของพระของพระอรหันต์เท่านั้น<ม>ธรรมธาตุก็หมายถึง จิตที่เป็นเป็นธรรมะทั้งหมดไม่มีกิเลสเหนื่ออยู่ธรรมะก็ไปชำระทุกอย่างหมดเหลือแต่ธรรมบริสุทธนั้นที่อยู่ในนั้นอันนี้มันก็เป็นเพียงโวหานเป็นคำพูดเท่านั้นคือคำพูดที่แยกแยะระหว่างจิตที่บริสุดกับจิตที่ไม่บอยสุดจิตคำว่าจิตก็ดีธรรมะผู้รู้ก็ดีธรรมะใจก็ดีธาตุรู้ก็ดีนี่เป็นตัวเดียวกัน แต่ว่ามันต่างกันในกิริยาจิตนี่เราจะพูดหนึ่งในขณะที่ใจมีการภาวะพรุงแต่งมีการทํางานเป็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเนี่ยแต่ใจนี่เรามักจะพูดถึงผู้รับรู้อารมณ์ต่างๆของตนเองใจไม่ค่อยดีเลยใจอารมณ์ไม่มเงี้ยมันก็เป็นเรื่อ ง, องสัตว์แต่ว่ารู้ก็คือใจ แต่พอออกจากร่างกายไปแล้วก็เรียกว่าปฏิสมธิแล้วก็เรียกว่าปฏิสมที่วิญญาณเราเรียกว่าว <laughs> ิญญาณพอใจพอใจกับร่างกายแยกทางกันใจก็กลายเป็นวิญญาณไปเป็นดวงวิญญาณไป <laughs> พอใจจะอ <laughs> พอพอใจจะไปไปไปครอบครองร่างใหม่ที่อยู่ในท้องแม่ <laughs> ก็เรียกว่าเป็นปฏิสมที่วิญญาณ <laughs> การที่เด็กจ ะ, ะการที่จะเกิดการปฏิสนธิเด็กขึ้นมาได้นี่ต้องมี3ามส่วนก็ามารวมพร้อมกันส่วนของพ่อส่วนของแม่แล้วก็ส่วนของปฏิสนธิวิญญาณก็จะเป็นก็จะมีการปฏิสนธิแล้วก็จะมีการเจริญจรติบโตขึ้นมาอันนั้นตัง<ล>้งแต่วิญญาณในขั น, นทาใช่ครับใช่วิญญาณในขันทา <Okay. S 2> คื อ, ค, อคือตัวที่รับรู้รับรู้ผัสสะ <Okay. S 2> ของทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่อันนี้วิญญาณ น, นี้มันจะเกิดดับเกิดดับพอได้ยินเสียงปั๊บมันรับรู้ปั๊บพอเสียงหายไปปั๊บมันก็ดับไปฟ้องกันเสียงใหม่มามันก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะเกิดดับเหมือนหินห้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาออกมาจากท้องแม่เขาจะจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแก แต่มันเป็นชาติหนึ่งไหมคะท่านอาจารย์หมายถึงว่าเราออกมาเวลาที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยออกมาปั๊บเนี่ยตรงก็จะเป็นชาติหนึ่งไหมคะก็ชาติเดียวกัน่ะชาติเดียวกันพอเกิดมาก็เกิดแก่เจ็บตายไปต่อเนื่องกันแล้วค้นับน้ำรุ่นต้นแต่ประฏิสนที่มาถึงถึงตายเป็นหนึ่งชาติเพราะมันเป็นการต่อเนื่องกันนีการต่อเนื่องกันเริ่มต้นด้วยสามสามส่วนมารวมกันแล้วก็จะเริ่มเติบโต เป็นรูปร่างออกมาออกมาเป็นทารกแล้วก็จะเริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่จเป็นคนแก่แล้วก็เป็นคนตายในที่สุดก็โคบวงจรพอตายไปปับ๊บร่างกายก็กลับสู่สู่ดิ่น้ำนุ่ไฟไปใจก็กลายเป็นวิญญาณไปเรียกว่าวิญญาณก็ก็ใจนี่แหละเป็นดาจใจก็ไปหาร่างใหม่ ทีมันฐานะของใจนี่บางทีมันก็ไม่จาเป็นจะต้องไปหาร่างอยากก็ได้เช่นขณะที่มันมีบุญมากมันก็เป็นร่างงเทพมันก็ไม่ต้องไปตามนั้นมันไม่หิวมันไม่ต้องไปหาอาหาหากายอยากเพราะมันสามารถมีอาหารทิพย์หล่อเลี้ยงใจเช่นเหมือนกําลรานอนหลับฝันดีอย่างเงี้ยนี่ก็เรากําลังสวยอาหารทิพย์อยู่ถ้าเรากําลังนอนหลับฝันได้เนี่เรากําลังตกนรกอยู่ พรจิตใจของเรามันอยากมันคิดแต่เรื่องลายๆที่ตนเองได้ทําไว้มันก็ส่งผลให้ตายเป็นนรกขึ้นมาในใจถ้าตายไปในตอนนั้นมันก็เป็นนรกทันทีคําว่านารกนี่ไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นฐานะของใจภาวะของใจแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นเวลานานเพราะไม่ไม่มีอะไรมามากระทบมาล้มอฐานะนั้นจนกว่ามันจะหมด หมดกําลังของมันไปเองแต่ในขณะที่เรายังมีร่างกายอยู่เนี่เช่นเรานอนหลับฝันร้ายเนี่ยหลใจเราเป็นนรกตอนนั้นแต่พอร่างกายมันตื่นขึ้นมาปั๊กมันก็ไปทําลายไ อ, อ้มันไปหยุดหยุดหยุดหยุด ห, ด ห, ดหดนังนรกตอนนั้นแล้วมันก็ดึงใจมาให้มาอยู่ในปัจจุบันแต่นรกนั้นยังไม่หมดหรือแต่ว่าเดี๋ยวนอนหลับต่อไปอคืนหนึ่งมันก็อาจจะฝันต่อได้เพราะมันยังไม่หมดเชื้อไง แล้วถ้ายังถ้าสมวัตตายไปแล้วเชื้อของนั่นยังไม่หมดมันก็จะต่อไปต่อไปจนกว่ามันจะหมดมันก็ไฟที่มันไหม้ไหมแล้วมันยังไม่หมดมันหยุดพักชั่วคราวพอพอมันปัตุขึ้นมาใหม่มันก็ไหม้ต่อไปจนกว่ามันจะหมดเชื้อพอหมดเชื้อแล้วมันก็ไปเป็นอย่างอื่นต่อไปเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างพอหมดหมดหมดไม่มีอะไรจะไปแล้วกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ เราก็มาสร้างบุญสร้างบาปม่าจิตจิตที่จิ ต, จ ต, จตดีจิตไม่ดีอะไรนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทําบุญทําอะไรนี้นะคะค น, คนที่มีจิตใจดีคนที่มีจิตใจไม่ดีอืม <c oughs> ก็คนทําบุญก็จิตใจดีถ้าทําด้วยทาทําด้วยใจจริงนะไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าเอาตาหรือทําเพื่อบันดาว่า อยู่ในสังคมเขาให้ทำก็ต้องทำสร้างภาพอย่างนี้อันนั้นใจอาจจะไม่ดีก็ได้เราถ้าทำบุญแล้วสมมเราทำบุญแล้วเราทำบุญแล้วสร้างภาพนี้ไม่ได้บุญเท่าไหร่กับใคไได้ก็เป็นเราสร้างภาพเราไม่ได้ทาบุญนได้ผลทางโลกไ้ลอแว่าอย่างเง้พวกที่พวกไฮโซที่เขาทถ่ายรูปนักสือพิมพ์รูป่ก้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ได้ก็ได้รับได้ได้แต่น้อยได้ได้บ้างได้บ้างได้บ้างอยู่ที่อยู่ที่ ทำบารสุด้องจิตใจทําเพื่ออะไรโ อ, โ อ, โอแต่ถ้าเราทํำเราทําเล่ลนๆแต่เราตั้งใจทําำั้สินที่เรามสมมติเราจัดงานการลาดินเนอร์อย่างเงี้ยแล้หาเงินได้ที่ร้านหนึ่งแต่ถ้าเราไม่จัดเราเราเอาเงินที่จะทําการลา น, นี้อีกร้านหนึ่งมามาทำบุญเนี้ยเราก็จะได้ท้องต่อ เราจะไม่ได้หน้าเราจะไม่ได้ความสุขทางโลกเพื่อเราจะไม่ได้กินไม่ได้ถ่ายรูปอวดกันไม่ได้โชว์กิเลสของกันและกัน ม, มันก็จะได้บุญมากกว่ากับการที่จัดการเล่าดินเนอร์แล้วก็หาเงินได้ล้านหนึ่งกับการไม่จัดแล้วหาเงินได้สองล้าน อนนอก็ออแล้วก็เอาเงินสองล้านนี่ไปทําบุญเลย <โก S 1> ไปสร้างโรงพยาบาลเลยไม่ต้องมาเสียเวลามาจัดถ่ายรูปแต่งตัวมากินมาอะไรกันก็เหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเวลาทําบุญดองตาถ้าให้ไปเลยเลไม่ได้นี <c oughs> ้เ ร, ราก็ควคยบอกประกาศเราเข้ามาไนอสนี่ทําตรงนี้เท่านี้อะไรเงี้ยก็ปิดทองหลังผ้าไงปิดทองหลังผ้ากับท่านจังครับอมีข้อสงสัยอันหนึ่งนะคะคดีเพื่อนเนี่ยต้องเล่นว่าคุณหมอโรฮงนี่นะคะ เธอถ้าเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ต่อมาเนี่ยอืมท่านเจริญฟักได้คือคือเมื่อก่อนนี้เขารับทํามัน mm hmm. ท่านเจริญฟักท่านท่านบอกให้เลิกซะ mm hmm. ตรงนี้เห็ mm hmm. นผลคท่านบอกว่าใครใครเป็นเป็นไม่ควรทําเพราะว่าวิญญาณที่เขจะมาเกิดนี่ท่านท่านอธิบายใค่แค่ยังรู้ฟังแล้วยังไม่เขา้าใจตรงนั้นเหมือนปิดกั้นไม่ให้เขาไม่ได้มีโอกาสมาเกิดไปตอนเขาใช่ okay. อันนี้อาจจะมีความคิดอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันนะเพราะถ้าเรามองว่าการไม่เกิดเป็นสิ่งที่ดีมันก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนแต่ตอนนี้เขาหลวงปู่ละก็ไม่ให้ทํานะคะหลวงปู่ละท่านค้ายคยอาจจะคนโง่อ่านแล้วไม่เข้าใจคิท่านคล้ายคล้บอกว่าเอบางทีจิตท่านน่ะที่เขารอยร่องอยู่เขาถือเวลาของเขาที่เขาจะมาเกิดเนี่ย เราไปทำอย่างนี้เราสับเป่ ป, ปิดกั้นเขาสาม า, ค, มาคิดว่าถ้าจะทำมันจริงๆก็คือถือข้อสินข้ออพรรมจริยาจะดีกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองส่วน <c oughs> คือผู้คนประโยชน์หลักมันต้องอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทมามันแล้วทำให้เรามีกิเลสมากขึ้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องที่เรามีลูกเราก็เลยส่งเสริมไอ้กิรราคะตัหายมากขึ้นมันก็ไม่ดี ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ทำหมันแล้วก็ต้องระวงังเฮ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมีลูกงนะั้นเดี๋ยวมีอะไรเราก็ต้องอาจจ ะ, ะหักข้ามจิตใจลดละ mm hmm. อันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราดังน mm ั hmm. ้นสำหรับอาตมาคิดว่าเรื่องจะทํามันหรือไม่ทํามันนี mm ่ hmm. ไม่ใช่ตัวประเด็นสําคัญ ท่านจะมองคนท่านทุ่งรูปรูมองอ่ประเด็นสำคันอยู่ที่ใจเรามากกว่าอยู่ที่กิเลสมันเรามากว่าท่ยังสงสัอยู่นะแต่ท่านมองในนัมองในภาพหนึ่งอีกองท่านมองในนั้แง่ว่าโอกาสที่จะมาคนที่เทอาได้ทําบุญแล้วเขาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาไม่มีช่องมาเหมือนกับเหมือนกับว่าถ้าเรามีโรงเรียนแล้วเราเราไปปิดไปปิดที่ไม่ให้เด็กเข้าเรียนแต่ถ้าเราเปิดโอกาสก็จะมีเด็กเข้ามาเรียนได้ จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่อันนี้อาจจะมาคิดว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยมากกว่าไอ้เรื่องที่จะใครจะมาเกิดไม่เกิดถ้าไม่มาเกิดกับเราเข้าหาที่เกิดที่อื่นได้จนได้เพราะไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องมีเวลาโอกาสที่ก็ต้องเกิดได้ของก็ไม่ได้มาเพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์เราจะดีเสมอไปเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมามาเบียดเบียนใช่ไหมเป็นฮิตเลยอย่างเงี้ยมันก็มาฆ่าคนเป็นล้าน เรื่องที่ใครจะมาเกิดไม่เกิดแล้วเราจะไปขวางก็ไม่ขวางนี่อาจะมาคิดว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือว่าเราทําเพื่ออะไรเราทำหมันเพื่ออะไรถ้าเราทำหมันเพื่อที่เราจะได้ส่งเสริมกิเลสเราเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราทำหมันเพราะว่าลูกที่เรออกมาเนี่ยเราจะพิกลพิการเพราะว่าเรามีเชื่อไม่ดีอะไรบางอย่างมีโรคอะไรบางอย่างที่ทําให้เวล า, ามีลูกเราจะต้องมีปัญหาตามมา แล้วก็มีวิธีแก้ได้สองวิธีวิธีที่หก็คือละเว้นจากการมีมีกิจกรรมทางเพศเสียหรือถ้าเรายังละไม่ได้เราก็ทํามันเสียเพื่อที่จะได้เด็กที่มาเกิดจะได้ไม่พิพการเป็นโรคอะไรต่างๆถ้า <c oughs> เร า, า ม, มาคิดไว้เรื่องการทำมานี่เป็นเรื่องประเด็นรองประเด็นสาคัญเรื่องเรื่องใจของเรามากกว่าว่าเราทําเพื่ออะไรถ้าเราทําเพื่อ เพื่อกิเลสก็อยาาไปทำมันดีกว่าชื่อมากยายามหักข้าจิตใจแต่เรื่องว่าบางทีมันจำเป็นเพราะว่าเรา <S <S <S เราดังหักข้ามจิตใจไม่ได้เราถ้ามีลูกออกมาเราไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเขาเรา <S <S <S เมันดีไม่ดีแทนที่จะไปทำมันกลับไปทำแท้งเสียก่อ น, นก็ยิงย่งจะเป็นโทษใหญ่เมื่อสองวันก่อนก็มีมีคนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มามาสารภาพบาปว่าเขาฆ่าลูกเขา แล้วลูกก็มาตามรังควายเขาอยู่ในจิตใจเขาเขาทําอะไรไม่เจริญนุ่งเริงเลยเราก็เลยสอนเขาบอกว่ายอมรับกรรมของเราแล้วก็ขอสิกรรมของเขามีทําบุญอะไรได้กับบุทิศไปให้กับเขาแล้วก็มาเมื่อเช้านี้มาลาเขาบอกตอนนี้หายไปเลยว่าเขาตัก็ส่วนนึ่งเขาอยู่ที่ใจเขาไปคิดเองเอง เราก็ายอมตัดไปได้ยอมยอมนับกรรมได้อะไรจะเกิดให้มันเกิดมันก็เลยจิตเลยสงบความที่มันก็เป็นจิตของเราของแกไปคิดปรุงแต่งนั่นเองทำให้เกิดเขาเลย guilty c o n s c i e ขึ้นมา <c oughs> ใช่ไหมแล้วเราทําอะไรบาปไปแล้วก็ยอมรับบาปจะเกิดก็เกิดแต่อย่างน้อยในปัจจุบันก็ให้มันจิตมันว่างไว้ก็ยังดีอย่ายมาสร้างนรก ในขณะนี้เลยทำไปแล้วก็ทำไปเลยก็ขอให้จำไว้เป็นบทเรียนก็แล้วทำแล้วมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นต่อไปจะได้ไม่ไม่กล้าทำอีก มันข้าราคาที่มันมีไปจนถึงแก่อะไรใช่ไหมมันมันไม่ได้ตายไปกับวัยมันไม่ตายไปกับวัยเพงแต่ว่ามันไม่มีกิจกรรมเพราะว่าร่างกายมันไม่สามารถมันไม่ได้เอ้อมเงินมันมันไม่ไหวก็อาจจะไม่อยากตอนนั้นก็ได้เพราะว่าอย่างคนเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่อยากอะไรทั้งนั้นะที่ยวมันก็ไม่อยากเท่านั้นเวลามันเจ็บคข้ได้ป่วยมันก็อยากจะหายก่อนใช่ไหมมันน่าแต่ภาวะของของสภาพแต่ไม่ใช่ราคามื่ากี่เหรมันตายไป เหรมันจะตายไปได้ก็ตอนเมื่อเราปฏิบัติทำถ้าราคะก็ต้องเจริญสุภาษทางเดียวเท่านั้นเองที่จะดับราคะได้ต่างจากคนที่พูดถึงเรื่องการทํามันเนี่ยสวัสีเกื้อเป็นหมอสูนะครับแล้วก็เขจะมีทํำมานทําอะไรบ่อยอย่างนี้เขาจะมีกรรมอะไรไหยกับการทํามันไม่น่าจะมีนะเพราะเขาไม่ได้ฆ่าสักแต่ชีวิตช่องไม่ได้ทาบาป ท, ที่ไหนเอ็ด ถ้าเอาแต่นั้นวินเนี่ยเด็กยังไม่ได้มาปฏิสนธิใช่ใเด็กยังไม่ได้มางยังยังยังทำวนยังยังยังต้อกถ้าทําแทงถึงแต่ของคริสก็ไม่ให้ทําก็เขาต้องการให้อยู่แบบธรรมชาติคือเขาก็คิดแบบเดียวกันว่าการเกิดนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็นเป็นของขวัญจากพระเจ้าไงเด็กนี่เป็นเป็นอะไรกของขวัญจากพระเจ้า รู้วันแข่งเขากคัวมาบ่าวซึ่งเพื่อนถามคถ้าจะถ้าจะควบคุมง่า้ควบคุมด้วยด้วยจิตใจทางด้านจิตใจด้วยศีลคือถ้าเราไม่อยากจะมีลูกเราก็เล่าเว้นเสียคือเซนธรรมจารย์ไป ซึ่งที่ในรายการนี่เดี๋ยวบ า, บางแห่งเขาก็มีการสนับสนุนมีกลุ่มเขาเกจาะกลุ่มกันเช่นเด็กสมัยใหม่ก็ว่ากเขาจะไม่มีกิจกรรมจนกว่าเขาจะมีสามีหรือมีภรรยาเพ <c oughs> ราะเขาเริ่มเห็นโทษของการที่มีความซ้ำซ้อนมันทําให้คนเลี้ยวแหลกว่าจิตใจมันไม่มัน่นคงจิตใจมันไหลไปตามกระแสของอารมณ์ คามจริมนุย์เราจะมีกิจกรรมทางนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันมั น, ม, น ม, มันไม่มีกำลังพอที่จะสร้างกำลังของกิเลสได้แต่เราก็ควรที่พอที่จะจัดให้มันอยู่ในกรอบของความดีงามได้คือเช่นมีมีคู่เดียวรักเดียวใจเดียวชีวิตของคารวาสหรือของคู่ของคนที่มีคู่ครองก็จะมีปัญหาน้อยกว่าคนที่สาำซ้อน ถ้าไม่รู้จักพอเนี่ยถึงแม้จะมีภรรยามีสามีแล้วเดี๋ยวมันก็แอบไปมีข้างนอกอีกแล้วก็มีปัญหาทางครอบครัวตามมา <c oughs> คนถึงอยู่เต็มสมัยนี้อยู่กันไม่ติไง <c oughs> ว่าเวลาแต่งมันแต่งด้วยอารมณ์มันไม่ได้แน่ๆศึกษาว่าการจะมีชีวิตคู่นี้จะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรจะต้องทําหน้าที่อย่างไรกันต่อกันนี่มันเพีงแต่เห็นหน้ากันชอบใจกันงันสามอาทิตย์มันก็แต่งงานกันแล้ว เราพออสามทิ่มันก็ยากนะอันนี้เขาเรียกเว่าทำตามทาตามอารมณ์แต่ถ้าคิดว่าเออเราเป็นมนุษย์นะเรายังอยู่คนเดียวไม่ได้เรายังต้องมีความสุขด้วยการอยู่กับกับคู่ครองของเราเราก็ต้องคิดว่าคู่ครองของเราเนควรจะเป็นเพื่อนรักกันเป็นที่พึ่งต่อกันจะต้องพึ่งพาอาศัยกันจะต้องให้อภัยกันได้ เขาเขาพลาดเราก็ต้องให้อภัยเขาเราพลาดเขาก็ต้องให้อภัยเราต่างคนต่างประครบประกอบกันให้ความสุขต่อกันบ้ากันถ้าอย่างนี้มันก็เป็นการมีครอบครัวที่มีคู่ครองที่ที่มีเหตุมีผลมันก็จะไม่เบื่อหน่ายกันง่ายไงเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เวลาเห็นกันปั๊บถูกอกถูกใจนี่มันเป็นอารมณ์ าส่วนหนึ่งก็คือเวลาเห็นกันใหม่ๆนี่มักจะเอาด้านดีให้เห็นกันนะด้านไม่ดีนี่เก็บซ่อนไว้ก่อนพออยู่ร่วมกันแล้วทีนี้ด้านไม่ดีออกมาแต่ถ้าเราคิดว่าเขาเขาเวาเจอกันถึงว่าาจะดีไงเราต้องรู้ว่าเขามีด้านไม่ดีนะเราก็เหมือนกันนะเรามีด้านดีแต่เราก็มีด้านไม่ดี งั้นเราก็ต้องพยายามศึกษากันแล้วก็พยายามปรับความความเข้าใจกันว่าเออถ้าเราอยู่ด้วยกันนี่เราจะจะเราจะอยู่ทนอยู่ด้วยกันได้ไหมถามกันเลยคุยกันเลยปรึกษากันเลยสมัยก่อนว่าถึงมีพิธีมั่นกันนะอยู่กันปีหนึ่งก่อนรู้จักกันก่อนคือไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่ก็เจอกันพบกันอยู่เรื่อยๆแต่สมัยนี้มันยุคจรวด ไม่คุกรแล้วจะรอบแล้วก็แจ้งนะ <laughs> แล้วมันก็กลายเป็นชีวิตสามซอนไป อ, อาจารยบเวลาขับรอบอย่างนี้นะครับคือผมชอบชอบเปิดเพลงเปิดฟังธรรมะครูบาอาจารย์บางครรู้สึกผีมันก็เบาสบายนะนี่ มันก็สงสัยว่าบางครั้งเนี่ยรู้สึกวิงทีพอพอฟังรู้สึกมันมันเกิดเอ่อเหมือนกับมันมันสงบมันเบาบางทีก็บริกรรมพูดโธนีัญหาว่าถ้าถ้าเกิดทําอย่างนี้ไปแล้วมีโอกาสที่จิตมันจะรวมกล้เกิดขับรถชปมันแบบเกิดจิตรวมในขณะที่เราขับรถอะอย่างนี้จะเป็นไม่ได้เนี่ย ถ้าจะว่าเป็นไปได้ก็มีเปอร์เซ็นต์มีแต่มันคงจะน้อยมากนะเพราะขนาดเราตั้งใจเต็มที่ปฏิบัติเต็มที่ไม่ทำมันยังไม่รวมเลยแล้วขนาดที่เราจิตวิ่งวิ่งไปวิ่งมาระหว่างการขับรบกับการฟังนี่ไม่มีทางที่จะรวมได้ คือปกติแล้วผมจะใช้แบบหรือให้ให้มันมันรู้อยู่กับปัจจุบันก็คือการขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะไม่อยากให้มันแบบสิท่์สงบแบบลักษณะนั้นพี่นายว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมาคิดเองว่ามันก็เป็นไปได้แต่มันมันน้อยไงโอกาสที่มันจะเป็นได้มันน้อยเพราะจิตมันจะต้องเป็นหนึ่งก่อนความที่มันจะลงได้มันจะต้องอยู่ครับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลาต่อเนื่องพอสมควรครับ ฉะนั้นถ้าเรายัางฟังแล้วก็พุโทโธแล้วก็ยังขับรถไปด้วยนี่มันยังมีการกระทําหลายอย่างรวมกันอยู่ถึงแม้มันจะรวมมันก็จะรวมแบบที่แบบว่าไม่หลับหูหลับตารวมรวมแบบข้างในจิตจิตใจอาจจะวุบลงไปนะ แต่ตายังขับรถอยู่ได้ยังเห็นอะไรอยู่ได้อันนี้เป็นไปได้เช่นเวลาเดินจงกรมแล้วเคยอยู่ครั้งหนึ่งมันง่วงนอนมากแต่แลราไม่ยอมนอนฝืนเดินไปเดินไปเดินบังคับพุโทโธพุโทโธซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วพักถึ้งมือตื่นขึ้นมาเลยมันมันสงบวูบลงไปแต่แลเราเกิดความตื่นขึ้นมาไม่หายง่วงเลย <c oughs> หายง่วงตาหูสวา่างแล้วเย็นสบายสบแต่มันไม่แบบว่าหลับล้มลงไปไม่มีหล้วไม่มีทางไม่เป็นไม่สลบทลาย แบบรวมไปนั้นไม่มีอย่างนี้อย่างนี้ก็ายิ่งคิดว่าถ้าสมควรที่ด้วขับรถสมควรยังมีโอกาสจะติดรวมนี้ถ้าสมควรน่าสมควรไม่เป็นไรรวมรวมก็ได้จะรวมรวมก็ได้แต่มันจะรวมแบบมีสติไงมันไม่ได้รวมแบบหลับพุ่งไปเมือย่างเมันจะรวมในใจกัแต่กิริยาของการขับการรับรู้การขับรถยังมีอยู่ครือคือค์ปุณณ์นี่ มันไม่ทราบเป็นอะไรเวลาขับรถถ้าเปิดฟังฟังธรรมะประจักษ์ตกเบาบางมันก็ตกเบาบางเหมือนกันมันไม่เป็นขนาดที่แบบว่ารู้สึกจิตมันเบามันแบบรู้สึกมันชอบเวลาอย่างนั้นมันจิตมันสบายมันทวงไม่เป็นไรลกไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่ามันจะหลับแล้วแบบว่าฟุ้งไปไม่มีไม่มีมันจะรวมแต่มันจะรวมแบบตื่นรวมสมหวังเรื่อแล้วมีความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาแล้วแต่อารมณ์เบา เบาในอารมณ์อาจจะวุ่นวายอาจจะอาจจะมีอะไรหนังอกหนังใจหน่อยมันจะหายไปเลยตงนั้น ไม่ใช่เป็นแบบหลับในไม่ได้หลับในอันนั้นมันแบบหลับในอันนั้นแสดงว่ามีสติก็ก็เวลาถ้าถ้าเกิดเวลาจะพยายามทําำสติตรงนั้นก็จะให้รู้แล้วก็ให้อยู่ที่ตาดูคือดูถนนดูอะไรก็ไแต่ว่ามันมีสติไม่แต่ว่าบางทีฟังธรรมะครูอาจารย์ก็ทําให้เราส่อยวางความเครียดอะไรกันมันอาจจะหลับในก็ได้คนบางคนฟังเทศแล้วก็จะหลับในกันก็มีนะคนที่อาจจะมาสังเกตบางทีเวลานั่งฟังธรรมนี่ก็นั่งแล้วก็ ถ้าอาจารย์ทราบไหมว่าคนนั่งถ้าอาจารย์คนไหนหลับนะคนไหนหลอกหรือคนไหนไม่ไม่ไม่ได้สนใจหรอกเพราะเราต้องคอยดูเรื่องธรรมะที่มันจะออกมาอยู่แล้วอย่างมากก็สังเกตดูแวบๆหน่อยว่ามีปฏิกิริยาการจากการฟังอย่างไรบางคนฟังแล้วรู้สึกหูเผงบางคนฟังแล้วแบบหูพับเนี่ยมีบางคนฟังแล้วก็ตั้งหน้าส่งกระแสตาอะไรก็มาทัน เราเรามองมันปั๊บอ่อยังตั้งอยู่ยังตั้งอยู่บางคนดูก็กำลังคุยกันอยู่บางทีหันหน้า <ooh. S 1> หันซ้ายหันขวาเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังแต่บางคนเขาก็นั่งภาวนาะก็มีแล้วแต่บางคนนั่งแล้วก็คอพับไปก็ม <S <S แแีแล้วแต่แล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละคนเขาเคยเขาเคยถนัดมาอย่างไรก็แล้วแต่เขาแต่เราเราไม่นั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่เราของเรา คนฟังจะเป็นไงถ้าศาตร์ใดถ้าเขาไม่สร้างความส่งเสียงให้รบกวนสมาธิของคนฟังหรือของคนของฟังคนผู้อื่นก็เราก็ปล่อยเข้าไปบางทีเราเทศไปรอบใบมองเขานั่งคุยกันนี้ถ้าเราไปมองบ่อยๆบางทีเราก็ท้อเหมือนกันนะเราก็ไพยายามไม่ไปมองเขาแล้วกลับมาเทศต่อลูกนี้ฮะใช่ไลกนี้เลยใช่ไห ที่มาคุยไหมคะนี่จะหูพับไม่คุยเุดหูไม่คุยไม่คุยแล้วถ้าข้างล่างนี้อาจจะมีบ้างเพราะคนแปกหน้าคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็มีมาบางทีเข้ามาแล้วก็ติดเมึอก็ติดตาขายมาพอดีตั้งใจจะมาถวายทานแต่พอดีถวายเสร็จเขาก็มีเทศให้ฟังก็ไม่กล้าลุกออกไปก็ทนนั่งไปนั่งไปก็อดคุยกันไม่ได้มึงก็คุยกันไปอะไรอย่างนี้ ถ้าคุยดังๆางทีแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าใย่า่าคุยกันก็ไปนั่งคุยกันข้งางนอกก็ได้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องคุยกันในนี้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ได้แบบว่าพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจอะไรต่อไป <c oughs> เ, เ, เ, เรื่องจิตจิตรู้เนี่ยนะครับมันเขาที่แล้วที่ที่ทานอาจารย์เทศที่ดูที่ฮัลลาเนี่ยนะครับเออมีอยู่ช่วงที่ท่านบอกว่าเวลา เวลาภาวนาให้จิตอยู่กับปัจจุบันแต่นี้พอฟังท่านอาจารย์บอกจิตอยู่กับปัจจุบันมันไม่ทราบเป็นไงคือข้างในเหมือนมันมันจะว่าปิติอะไรไงมืนมันก็สว่างขึ้นมาแบบมันผมก็อธิบายให้ถูกว่ามันคือมันมันเหมือนกับแต่ว่าเหมือนกับมันสว่างข้างในว่าขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแล้วก็กายนี่มันเหมือนมันเบาเป็นแบบ มันมันมันเป็นเบาไปเลยมันไม่ใช่คาตรงนั้นมันมันตรงประเด็นไงมันตรงประเด็นกับที่เราปฏิบัติพอดีและพอขายพูดตรงนั้นปั๊บมันก็เหมือนก็เสริมความมั่นใจของเราขึ้นมาว่าเรามาถูกทางแล้วมันถูกทาง แต่ความรู้สึกนั้นมันไม่เคยเป็นแล้วก็เป็นตอนนั้นแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็โอ้เป็นตลอดได้เลยเด็กติดรวมติดตับเป็เส้นปิติยู่เราไม่เชื่อต่ว่าเป็นการบรรลุทําขั้นระดับหนึ่งก็ได้แต่จะระดับไหนเท่านั้นเองอาจจะเป็นเป็นการเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วการปฏิบัติของเราก็เป็นอย่างนี้มาเนี่ยมีคนมาพูดย้ำเหมือนกับเราทำอะไรแล้วเราไม่มั่นใจแล้วพอดีเราไปได้ยินคนอีกคนเข้ามา ว่าทำนี้ถูกต้องดีแล้วเราก็เกิดความสิติเิความสุขใจขึ้นมา่ เ, าเราได้ทำถูกแล้วก็ล้องออกขึ้นมาอ๋อใช่แล้วใช่แล้วก็ เ, เหมือนกับพระอนนรรัญญาณควรอัญญาท่านก็คงจะพิจนารนณี้มาก่อนแล้วแต่ท่านยังไม่มั่นใจพอพู้เจ้าทรงแสดงสนับสนุนด้วยเหตุด้วยผลนั้นท่านก็รับได้ร0ออร์เซ็น์เลย อ๋อถูกแล้วถูกแล้วเราตั้รณานี้มานานแล้วถูกต้องแล้วสิ่งใดที่มีการเกิด็ต้องต้องดับไปเป็นธรรมดาต้องไม่ยึดไม่ติดต้องปล่อยวาง ม, มันได้ไขนาดนั้นขึ้นมาทีเราก็เหมือนกันเราปฏิบัติมาไม่ต้องนานเราก็ควรรู้ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อตรงไหนพอมาพูดตรงนี้ปั๊บเข้าใจเลยออก็เพื่อให้มันอยู่ในปัจจุบันท่านเองจมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ต้องมันมันไม่มีอย่างอื่นอะความจริงมันมีแต่แค่ปัจจุบัน อดีตไม่ใช่ปัจจุบันอดีตไม่ใช่เป็นความจริงอดีตเป็นความจำอนาคตก็เป็นความความจินตนาการก็เป็นเหมือนความจำเป็นความคิดความจริงมันมีแค่ปัจจุบันนะั่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะ ครับนเวลาภาวนาก็มันอย่างจิตมันเตือนจิตนะครับมันบอกตัวเองบอกว่าให้อยู่ปัจจุบันอหลายครั้ว่าพอพูดย้ำตรงนั้นปุ๊บเหมือนจิตมันมีกำลังขึ้นแต่มันก็อารมณ์ก็หายไปมันก็ต้องยังมันยังไม่พอไงก็ต้องคอยย้ำอยู่เรื่อยต้องย้ำอยู่เรื่อยมันยังไม่มั่นคงอทำไปเรื่อยพยายามดึงเพราะว่าจิตนี้จะถูกอารมณ์ดึงไปเรื่อย อารมณ์มันชอบไปอดีตชอบไปอนาคตไปที่ใกล้ที่ไกลแต่มันจะไม่อยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้อเพราะตรงนี้เดี๋ยวนี้มันเราให้นั่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวเ๋ยวมันเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรถ้าเราปล่อยนั่งอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแสดงว่าไม่อยู่ปัจจุบันแล้วแล้วเวลาภาวนานี่ผลของมันไหมว่าสิ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสะสมเหมือนเรา เก็บเอาไว้หรือเปล่าฮะหมายว่าวันนี้เราเดินมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันไม่ได้หายไปตามเลยไม่หายไม่หายมันเป็นการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยความชานาญความคํานาญไงวันนี้หันพิมพ์ดีดเนี่ยพิมพ์แผ่นชอนนี้พรุ่งนี้ก็มาพิมพ์ใหม่อาดพิมพ์ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นทํานานขึ้นชํานาญขึ้นต่อไปไม่ต้องคิดเลยมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติท่านอาจารย์ภาวนาที่ช่วงมันมีช่วงเวลาไหนที่ที่ ที่ดีอ่าเช่นกลางคืนก่อนนอนตอนเช้าบางทีอย่างตบายมันส่วนใหญ่จิตมันจะเอียดโดยตอนกลางคืนใช่ไหมตอนตอนก่อนก่อนตอนตื่นตอนตอนที่ตื่นแล้วเนี่ยมันจะละเอียดที่สุดแต่มันจะง่วงตอนนั้นบางทีไม่บางทีบางคนมันอาจจะง่วงก็ได้นั่งเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็จะหลับต่อก็ได้ ถ้านั่งแล้วหลับก็ลุกขึ้นมาเดือแต่ตอนนั้นมันจะละเอียดที่สุดตอนหมายถึงต้นกลง่องสาเอาประมาณเพียงหลัจากได้พักแล้วังจากได้พักแล้วต่ก่อนก่อนนอนนี่มันจะเหนื่อยมันจะเพลียมันจะไม่เออแต่พอพอนอนพักแล้วเตยขึ้นมาได้ตอนหลังจากตื่นใหม่ๆนี่มันจะละเอียด ตอนนี <com> ้พูดแบบนักพาพของพวกปฏิบัตินะเพราะเานอนแค่สี่ชั่วโมงกสี่ห้าชั่วโมงก็จะเตืนตอนตีสามตีสองเนี่ยตอนนั้นน่ะมันจิตจะเห็นมันจะละเอียดจะนั่งตอนนั้นเอียดตีหนึ่งแต่ลูกฟัึกตอนให้เช่ามันเห็นตื่นตีนึ่งเขาจะีตอนเด็กๆประมาณก็ถ้าดีสำหรับเราตอนไหนก็เอาตอนนั้นก็ได้ ว่าต่างคนอาจจะมีความแตกต่างกันเหมอกรด่าร่างกายอ่าร่างกายตามระบบการใช้เวลาชีวิตของเรา แต่ถ้าโดยปกติแบบของพระของนักปฏิบัติเนี่ยนะเขาจะ <c oughs> เขาจะเรียตอนตอ น, ตอนเช้ามือตอน oh. ที่ก่อนตีสองตีสามเนี่ยหลังจากได้พัก <Okay. S 1> ผ่อนหลับนอนเต็มที่แล้วก็ตื่นข <c oughs> ึ้นมามีมีมีความพร้อมแล้วตอนนั้นมันมันมันเงียบมันมันมันสงบทั้งภายนอกมันก็เลยส่งเสริมความสงบภายใน ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้เทียงเที่ยงเวลาไหนก็ได้ <c oughs> <า> <c oughs> ยกเว้นเวลาที่ฉันเสร็จแล้วนี่ถ้าฉันเสร็จแล้วแต่ท <c oughs> ่า น, นมันจะถ้านั่งมัจะหลับส่วนใหญ่ท่านจะนิยมเดินโยกมกันก่อนเดินโยกมให้มันหา ย, หายง่วงก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งต่อนั่งเสร็จแล้วถ้าอยากจะพักก็พักสักชั่วโมงหนึ่งพอลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ เล่นต่อแล้วก็นั่งต่อหลือทากิจปฏกวัติทำอะไรไปจนถึงเวลาค่ำลงน้ำแต่ก็เดินโยงคมต่อจนถึงเวลาเข้านั่งสมาธิต่อแล้วก็พัก ห้าชั่วโมงต่นนมาก็นั่งต่อแล้วลงมาเดินต่อเรนั้นวันวั น, วนึงก็ภาวนาอี่ชั่วโมงก็ถ้าท่านมีเวลาพักท่านที่ไม่ได้ภาวนาะ <c oughs> แม้แต่เวลาทากิจต่างๆก็มีสติพระที่บ้านตาท่านถึงไม่คุยกันทุกคนก็มีหน้าที่ไล่เช็ดถาดช็ดถาดถูพื้นถูพื้นมาทาไป <c oughs> ไม่มีใครคุยกันอา <c oughs> จารย์ก็เ เอมันมีอยู่มีอยู่ข้างสองข้างเวลานั่งภาวนามันเหมือนจิตมันจะสงบแต่แล้วมันจะเป็นแสงขึ้นมาแบบจ่อจนแบบมันต้องลืมตามันไม่รู้จะหลบยังไงบางทมันก็เป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นเป็นภาพมันมันเหมือนกับมันมันอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้วมันไม่รู้จะหลบยังไงสุดท้ายต้องลืมตาอยู่ในแกงไงครับเราใช้อะไรเป็นตรงภาวนาเลย ปกติเราบางทีผมก็ใช้รู้ลมหายใจ ก, <ะ> <Okay. S 1> ก็กลับมาดูที่ลมหายใจอย่าไปสนใจที่แสงก็ได้มันมันเหมือนยายามจะหลงอย่างนั้นหรืว่าตอนนั้นแสดงว่าเราเผลอแล้วตอนนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่กับลมหายใจแล้วครับเรียกว่าตอนนั้นมันมันค่าๆมันเป็นผลพลอยได้จากการภาวนาจิตอาจจะอาจจะใกล้สงบแล้วมันก็มีมีปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะสำคัญเราอย่าไปให้ความสัมพันธ์กับมัน พยายามจะไม่ให้เห็นมันเลยมันให้มันก็จ้องคือออแมคือไม่คือไม่ให้ไปเห็นไม่ได้มันเห็นได้แต่เพียงแต่ว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับมันอย่าไปจ้องอย่าไปดูมันให้หันกลับมาหาลมหายใจแทนไม่ต้องลืมตาแต่กลับมาหาลมหายใจแล้วก็ภาวนาของเราต่อไปมันจะงมีเป็นภาพก็ปล่อยมันแต่ว่าแฉะมันถ้าเรามหารมวัเดียวมันก็หายไปถ้าเราติดตามมันมันก็จะไม่หาย หรือมันจะหายก็หายกช้าช้ากว่าที่เรากลับมามาหันมาที่ลมเพราะนี่เราไม่ถือว่าเป็นผลหลักที่เราต้องการ <c oughs> ผลหลักเราต้องการก็คือการรวมของจิตให้เป็นหนึ่ง <c oughs> ให้สงบนิ่งสบายเย็นแต่ในขณะนั้นมันอาจจะมีผลพลอยได้ตามมา จะมีขนลุกซามีความสว่างสวายปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันสว่างสวายเหมือนกำลังเปิดไฟเหมือนเรานั่งอยู่ในที่มืดแล้วเปิดไฟขึ้นมามันก็สว่าง <c oughs> แต่อย่าไปให้ความสนใจอย่าไปเสียสมาธิกับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> ให้ตั้งสมาธิอยู่กับจิตต่อไปหรือถ้าจิตรวมลงแล้วก็ให้มันให้มันสักแต่ว่ารู้อยู่ของมันอย่อยางนั้น <c oughs> แล้วอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้พิจารณาด้วยปัญญาทีหลังก็ได้หลังจากออกมาจากสมาธิแล้วก็ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าเราไปลงยึดติดเราก็จะทุกข์ก็จะมีความผูกพันกับมันนั่งข่าวหน้าก็อยากจะเห็นอีกอยากจะได้อีกมัน็จะไม่ทําให้เราไม่ได้ก้าวหน้าไปในทางที่ถูก ใช่จะอย่างที่สมควรเกิดขึ้นที่หรือที่สมควรที่บายกับที่เพื่อนที่บอกว่าเกิดขึ้นมันมันเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเหมือนเหมือนกันไหมคะแตเหมือนกันเพียงแล้วต่างแต่ต่างรูปแบบแต่ต่างรูปแบบเพรเขาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่เขาแต่ของเขาเป็นประโยชน์ไงมันเป็นธรรมะมันเป็นอนิจจังก็ให้ให้ให้ให้รักษามันตอบเกาะมันไปเหมือนเป็นเหมือนพุทโธทางไงก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไป แต่อันนี้เป็นแสงสว่างเฉยๆถ้ามันไม่มาลบคุณสมาธิของเราเรายังนั่งเฉยๆเป็นปกติได้ก็ให้มันสว่างไปแล้วก็รู้ไปก็ได้ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปขับไล่มันไม่ต้องไปอยากให้มันอยู่เป็นานๆการเกิดอย่างนี้แต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันแต่แค่อย่างกรณีของไม่มีแบบไม่เกิดอะไรก็ได้ก็สบายก็ไม่ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาถ้ามีเราไม่ต้องมาแก้ถ้าไม่มีคนสอนก็เดี๋ยวจะหลงได้ เคิดว่าเป็นผลเนผลบางเราก็คิดว่าเอ้เราไม่มีอไม่มีอะไรไม่มีอะแบบนี้เกิดขึ้นผลหลักที่ต้องการก็คือให้จิตมีความสช่อมโยงรวมมีความหนักแน่นมั่นคงอารมณ์เบาบางลงไปทีนี้เขบอกว่าให้จิตรวมอะไแล้วมันจะเกิดเขาเรียกบรมมาสุอะไรอย่างเงี้ยนะครยังไม่ไกลยังรวมไม่มากยังรวมไม่พอยังไม่มีความอึไรอรมาสุอะไรถ้าถึงนรงนั้นก็จะก็จะปล่อยปล่อยก็จะออกบวชกัน อ๋อลูกยว่าเอ๊ะไม่อยากจะมาลมาซุ่งกันอยถ้าเราน่รอบรอได้ไม่ไม่อยากจะไปเที่ยวไหนนะถ้าถึงตอนนั้ไม่อยากจะไปเที่ยวไหนละรออยู่นี่ฮะมอไหร่จะพูดพูดกันมันไปลงมาได้ยั่ไงเนาะอยากทำสุขโดยฐได้ยินลูตาพูดว่อลงมา่ล้วอยากอยากมีเหมไม่เคยเกิดยังไม่เจอถ้าเจอแล้วรับรองหน้าชีวิตจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากใครโซก็จะเป็นโลโซฝท คนที่ไปออกสังคมออกเที่ยวนี่จะตัยหมดเลยไม่มีความหมายเลยจริงๆะท่านอาจารย์นั่นแหละไม่มีสุขเงินแต่ยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะพอเท่ากับสุขที่เกิดจากความสุขที่เกิดจาความสงบได้ยินหูตาก็ฟังนี่พลังสุขครั้งเพียงแต่ว่าถ้าจากสมาธิมันเป็นชั่วคราวมันเร็ลมมาสุขชั่วคราวมันเป็นเหมือนดูหนังตัวอย่างแต่ถ้าเป็นนิพพานนี่มันเป็นหนังจริง มันใช้อยู่ตลอด <Okay. S 2> วันตลอดคืนเลยตลอด24ชั่วโมงยืนเดินนั่งนอนเป็นปรนาะมังสุขทั้งตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีการไปทำไปรักแล้วคือสุดยอดนะ<อ>ไม่เสื่อมตีดอยู่กับเตลอด ไม่ต้องทำอะไแล้วกินข้าวอิ่มแล้วมีต่กินและนอนเท่านั้นฉันชักปินายแล้วไม่แล้วบุญบาปก็ละแล้วบุญก็ละแล้วไม่ได้คิดอยากจะทําบุญอีกแล้วไม่ได้คิดอยากจะภาวนามันแบบมันเต็มมมันตาถ้าทําบุญก็ทําไปตามกิจเป็นกิริยาทําไปตามไกลอย่ไรถไรหมือนชาอย่างหลวงตาที่ท่านทําบุญช่วยชาตนี่ถ้าไม่ได้ทําด้วยจิตใจที่อยากจะทํานะ มัน ท, <า>ทำท<า>ด้วยกิริย า, ม, ม, ามันทำด้วยเพราะเหตุมีเหตุมีปัจจัยให้<ม>ท่านทำ<ม> น, นั่นแต่ถ้าไม่ได้กังวลกาวายคิดจะหาเงินมา ปฐิเถินปีนี้จะได้กี่ล้านจะได้มานนไม่มีแน่ๆบางที้ที่นั่นบอกถ้าบรามาสู่ขั่วคาวเราธรรมดานี่ก็จะเจอได้ใช่ไหมฮะได้ก็ต้องเจอแบบนี้ก่อนทุกคนก็ต้องเจอแบบนี้ก่อ น, นพอเจอพอเห็นหนังตัวอย่างมันจะได้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา<ย>ขึ้นนล้วที่เราเจอความสงบ แต่เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นบรมสุขก็แปลว่ามัยังไม่ยังไม่เจอก็ได้บางส่วนไงได้บางส่วนมันสบายใจมากอาจจะได้แต่แต่มันก็ยังไม่แม่มีอาจจะได้แค่ดอกเวี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้นก็เฉยแต่ยังไม่รวมมาเออใช่ๆได้ดอกเวี้ยได้เงินฟันผลแต่ยังไม่ได้ได้ตัวเงินต้นยังยังไม่ได้ตัวเงินต้นคืนแต่อันนี้ก็สะสมได้ใช่ก็ทาไปเรื่อยๆมันก็ยต้องเจอโจนสัก ไม่ชาตินี้ก็ชาหน้าแล้วชาติต่อไปมันก็ต้องเจอถ้าทํำไม่หยุดถ้าใครเจอ<ม>ตอนไหนมันก็ชีวิตก็จะพิกหน้ามือเป็นหลังลมืออย่างพระพุทธเจ<ม>้าก็ออกจากวังได้ก็เพราะไอไอตัวนี้ไง<ม>ท่านนล่าใหฟังว่าตามที่ท่านนั่งอยู่ใต้โคน<ม>ต้นไม้แล้วพวกอะไรพวกพวกบริวารเขาไปทํากิตอะไรต่างๆไว้ท่านอยู่ตามลำพัง<ม>พออยู่ตามลำพังเ<ม>พราะไม่มีใครมาววรบกวนจิตมันก็ลงเลย<ม> อันนั้นแหละเป็นตัวที่คอยเตือนให้ท่านให้ออกจากวังลูกเลยคิดว่าเนี่ยถ้าเราเจอแล้วเราก็เลยมีความอยากจะทาไปเรื่อยๆพอเจอตอนนี้แล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆตัดแล้วมีภารอะไรก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะนี่เรายังไม่เจอเราก็เลยนั่งยังอยากไปเจออยากไปเจอาไปูที่ไม่นั่งไม่เจอได้นั่งไงท่านอาจารย์มันไม่ยอมเจอมันนั่งน้อยน้าอาจจะน้อยมันมันคือความที่มันไม่เจอมันต้องไปอยู่ ผูนี้เขาเนี่ยทีละสามวันเจ็ดวันนี้เงี้ยมันจะได้เจอยังนองน้อยไป อ, า, อ า, าจารย์ครับเวลาเดินจงกรมมันหลายครัง้งวาทีมันเดินเดิ น, ดนพมันเกิดภาพครูบาอาจารย์ขึ้นในจิตแต่แล้วเออ ค, อ, คอคือคือควรจะ เห็นก็สักแปว่าเห็นแล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอะไรนะถ้ า, า, าถ้าเรากำลังชาอะไรอยู่ก็กลับมาหาสิ่งที่เราทำอยู่ดีกว่าภาพที่บาปรากฏก็เพียงแต่รับรู้แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปเช่น <c oughs> เรากำลังกำหนดดูอะไรแล้วก็กำหนดต่อไป กำหนดอสุภะก็กำหนดต่อไปกำหนดพุดโทโธก็กำหนดต่อไปอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาถึงแม้จะเป็นภาพพระพุทธเจ้าหรือสิ่งที่ดีก็ตามมันก็จะมาทำลายสมาธิเราได้กยกเว้นว่า<ม>เป็นภาพที่มันกำลังอราถ้า<ม>เรากำลัง<ม>เรากำลังกำหนดสุอสุภะอยู่แล้วปรากฏเป็นโครงกระดูก ข, ขึ้นมาแล้วก็จะใช้โครงกระดูกนั้นเป็นอารมณ์แทนก็ได้ ถ้าถ้าตรงบงทีแบบช่วงช่วงเวลาเดินผมก็มันจะมีอยู่สองอย่างคือพยายามให้มีรู้มีสติรู้อยู่ที่อิริยาบถแล้วก็มาดูที่ตัวรู้ตัวจิตแต่แล้ว บางครั้งมันเหมือนกับว่าบางทีจิตมันเนี่ยมันยังไม่สงบความรีรูปคุบาจาร์ด้วยมนถึกัว่าอถ้าเรายึดรูปคุบาจาร์ไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยเพื่อไม่ดีไม่มดีันหลายเรื่องไม่ดท้าเรื่องเดียวดีกว่าถ้าจากรูปคุบาอาจารย์ก็ลองกําหนดรูปคุยอาจาร์ต่อไปก็ได้ครับแต่เราไม่เคยลองนะเราส่วนใหญ่เราจะใช้ดูเท้าเรามากกว่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปอมันจะมันมันจะกระชับกว่า คือคือก็ดูที่กายอย่างเดียวเลยจิตไม่ต้องไปยุ่งหรือว่า ต, ต, ต้องคอยดูถ้าเดินจงกรมเพื่อความสงบนี่<อ>ให้ดูที่เท้าซ้ายเท้ า, าขว า, าจะดีกว่าแต่ว่าพุทธเวลาก้ า, าวเท้าซ้ายว่าพุทเก้าวเท้าขวาว่าโทก็ได้หรือจะว่าซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้ขอให้มันมีสติ อ, อยู่กับแค่นั้นนะให้มันมีน้อยที่สุดอย่าให้มันมีเรื่องมากให้มันคิดน้อยที่สุด หรืไม่คิดเลยกไ็ไม่ซ้ายขวาก็ได้เป็นดแรู้ปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊ป้อยู่กับการก้าวย่างไปก็ได้ลนกพิจารณาเลยถ้าพิจารณาก็ได้มันก็แล้แต่แล้วแต่ว่าเราอยู่ในอารมณ์ไหนก็ขอให้มันอยู่ในอารมณ์นั้นถ้าจะพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอสุภะก็พิจารณาไป แต่ถ้ามันเป็นเรื่องอยาปล่อยให้มันเลืิกผืวยจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปเรื่องนี้อันยันนาเบ่าตั้งในตายเรื่อถ้าถ้าเป็นแบบรวมเม็ดนี่มันไม่ได้นะมันต้องเป็นเรื่องเป็นรล่าไปให้มันกิจจาักษณะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นแบบเออเพอเจอร์ไปแต่ก็ถ้ามันยังอยู่อยู่ในวงของตายรักก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แ้วพิจารณาอะไรแล้วก็ให้มันลงไปที่ตายรัก พิจนากิจกรรมลงพิมพ์ของเราเนี้ยทั้งวันก็ต้องปิดจะได้ไม่จะได้โรงได้ไงจะได้ไม่กังวลจะได้ตัดได้ไงจะได้ออกบวชได้เวลาออกบวชก็ต้องปิดไงก็ต้องขายคนอื่นไปหรือให้คนอื่นเขาทาต่อไปเรคิดถึงรงพิมพ์อย่คิดห้าสีสักตัวหนึ่งสีสีสักตัวไม่ใหญ่ใหญ่ถ้าอย่างนั้นมันก็จะทําให้จิตวุ่นวุ่ั่เขาต้องการพิจารนาเพื่อให้มันสงบไงเราต้องคิดลงไปที่ ตายรัเสมอเพราะมันไม่ใช่ของเราเนี่ยลงพิมพ์เนี่ยมันก็เป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นเองทุกวันนึงเรากับมันก็ต้องแยกทานกันไปนันไม่เวลาพิจารณาอย่างนี้เราภาวนาเราก็จะได้ไม่กังวลคิดถึงห่วงเรื่องงานที่ลงพิมพ์นี้ <Okay. S 1> เราก็จะได้จิตก็จะรวมลงได้ จิตที่มันรวมมันลงไม่ได้ก็เหมือนกันต้นไม้ที่เราไปมันเราไปตัดต้นไม้ที่มันถ้ามันอยู่ต้นเดียวเดียวเดียวมันล้มง่ายใช่ไหยแล้วไปติดไปตัดต้นไม้ที่มันอยู่ติดกับต้นอื่นเนี้ยตัดมันขาดแล้วแต่มันไม่รวมเพราะมันมีอย่างอื่นคอยเหนี่ยวรั้งไว้จิตของเราก็เหมือนกันที่มันไม่ลวมลงเป็นหนึ่งก็เพราะมันมีเรื่องอื่นคอยดึงไว้สามีคนนึงก็ดึงไว้เยอะแล้วลูกอีกคนนึงงานอีกอย่างนึงมันดึงไว้หมดแล้วพอนานไงมันก็ไม่เป็นธรรมชาติมันไม่มันไม่ลงอ เดี๋ยวมันก็แวบไปแล้วเดี๋ยวก็แวบไปหาแล้วอาจารย์ครับเวลาเดินจงกรมบางทีสมมติว่าเราเคยเดินแบบให้รู้รู้ถี่ที่่ที่เท้าเนี่ยนะครับอันนี้บางวันตรงนี้มันก็ดีพอบางวันบางที่เดินตรงนั้นมนมันเป็นทื่อๆมันแบบไอไอตัวตัวความสงบมันไม่เกิดแล้วมันเหมือนทื่อๆไงมันจิตมันก็เลยผมลองเปลี่ยนมาพูดโท แต่แล้ววันนี้อยู่พุโทโธพุโทโธอยู่วันนั้นมันเกิดพุทโทแบบนึกถึงผมผมนึกถึงที่ที่หลวงตาท่านพูดเลยผมให้พุโทโธรติติกันคืออย่างมีช่องว่ามันเกิดจิตที่ว่าโอ้มันเข้าใจตรงนี้ว่าเราพุโทโธกไปั้งนานตั่งเป็นสิบเป็นสิบปีแต่ว่าไอความหมายท่านพูดขึ้นมาอยู่ตรงเนี้จิตต้องมีต่อเนื่องแล้มันมันมีมันมีกําลังในจิต เสร็จแล้วคือจักมันก็เหมือนกับมันก็หลุดหมายว่าเราเรายัางยังตัวยังทำน้อยเกินไปเสร็จ แ, แล้วมันก็หายไปนี่นี่สิ่งที่ผมสงสัยว่าการที่สมมติว่าในวันหนึ่งอาจจะเดินโดยที่พิจารณากายอีกวันหนึ่งมาพุทโธพุทโธมันจะถูกไม้มแล้วแต่ว่าอันไหนมันจะได้ผลเอาวันนั้นก็แล้วกัน สลับไปสลับมาได้ขอให้มันดูที่ผลเป็นหลักกันแล้วกัน <c oughs> แต่ถ้าสลับไปสลับมาไม่ได้ผลก็แสดงว่าไม่ไม่ได้เรื่องบางทีก็ต้องรู้เหมือนกันว่าบางทีก็ต้องควรจะใช้อันไหน <c oughs> คนจะคนจะเป็นสมถะหรือคนจะเป็นวิปัสสนาถ้าสมถะก็พุทโธเรื อ, ด, รอ ด, ดูเก้าย่างอย่างเดียวถ้าอยากจะให้เป็นวิปัสสนาก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไป แต่ถ้าพิจารณาทุกทางหน้าตาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความสงบต้องการการปล่อยวางเป็นหลักเข้าใจแล้วปล่อยวางมันก็โล่งมันก็เบาไปอีกแบบนี้มันก็สุขไปแบบนี้มันมมันมีหลายท้งเวลาเวลาสวดมนต์โดยเฉพาะช่วงค่ำคืนนะครับสวดแล้วเนี่ยมันเหมือนจิตนี่มันอยากจะให้หยุดภาวนาเลยคือยังถือว่าสวดทำวัดเนี่ยนะบางทียังไม่ทันจบจิตมันเบาแบบ อ่านั่นแหละมันพอแล้วไงการสวดพอแล้วสวดเพื่อให้สงบตรงนี้ก็หยุดไปเลยหยุดไปเลยไม่ต้องให้จบไม่ต้องจบก็กําหนดดูลมแทนแล้วดูดูจิตเฉยๆก็ได้ถ้าจิตไม่ไม่เคลืไม่ปรุงก็ใช้ได้แต่ของผมรู้สึกกลางคืนมันยจงวูบทุกทีคือประเด็ก็เหมือนกับว่าเอ้ยมันมันปิดมันจะสงบนะเอานั่งนั่าก่อนมาทำสมาธเพราต้องพับมันแบบมันมันแบบเป็นขาสติเลยแบบ วูบแบบหลับแบบันตัวไปเลยแสดงว่าสติเราอ่อนอย่างนี้เราไปอยู่ที่เปียวเปียวกลัวๆมันจะได้ตื่นมันจะติดพ อ, อมีความหวาด ก, กลัวแล้วมันจะไม่ค่อยดับมันดับยากบางลูกท่านต้องไปนั่งตรงทางเสือผ่านนี่ไปนั่งตรงหน้าเหวนี้่เพราะท่านนี้ก็ชอบวูบแบบเราเงี้นั่งมีในกุฏิแล้วมันวูขึ้บ ตอนต้อยก็นั่งอยู่ในกติไม่วูบ ก, ก็มานั่งหน้ากติหน้า<ม>กุติยังวูบอยู่ก็ไปหาทางที่มันที่ตราไหนที่เรากลัวตอนนั้นมันจะไม่วูบอันนี้มันอยู่ที่ท่านของการปฏิบัติื ส, สติยังอ่อนอ คำถามที่ท่นอาจารย์อธิบายว่าพุดโทรก็ได้ให้จิตสงบหรือว่าใช้พิญนาไตาลักษ์เพื่อให้มันปล่อยวางต้องสองอันนี้มันต่างกันไหมครับอาจารย์จะมาเจอกอันต่างก<ห>ันตรงที่ว่าเวลาทําพุดโทรแล้วจิตสงบนี่มันเป็นการกรอมจิต ส่วเวาพิจารณาด้วยปัญญานี้มันเป็นการทําจิตให้สงบด้วยการทําลายเหตุที่ทําให้เกิดความความไม่สงบ<า>ถ้าใช้ใช้ใชไว่ปรัสนาแล้วต่อไปมันจะไม่ต้องใช้พุทโธก็หมายถึงว่าบ้านปลาเราติ่งที่เต้องการคือรต้องการความสงบหรือเราต้องการปล่อยวางใช่ไเราต้องการปล่อยวางแต่ปล่อยวางก็คื อ, อมเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็จะสงบไง เขางมาถึงปล่อยวางมาก่อนสงบอ่างนี้สงบมาก่อนปล่อยวางใช่แต่สงบแบบนั้นมันสงบแบบแบบไม่ถาวรพอเดี๋ยวไปเจอปัญหาเรื่องนั้นมันก็จะมันก็จะคุ้งซ่านขึ้นมาถ้าถ้าอย่างนี้แล้วปล่อยวางแล้วมันสงบจะดีกว่าใช่ไหมครับใช่แต่แต่ที่ก่อนจะมันมันจะไปถึงตรงนั้นได้มันก็ต้องเอาแบบทางทางสงบก่อนยกเว้นถ้าเราเป็นจริตที่ต้องทําต้องใช้ปัญญาทําให้สงบแล้วก็อย่างที่หลวงตาท่านสอนว่าปัญญาอบรมสมาธปัญญาอบรมสมาธิ่ ก็ต้องใช้แบบนั้นกระจายการพิจารณาเพื่อปล่อยวางนะจะได้สงบอันนี้ก็เหมือนพุทโธก็เหมือนสมถะส่วนทางด้านตาก็เหมือนวิปัสนาอย่างนั้นแต่ก็ต้องเอื้อกันสองเทียบแล่วว่าในขั้นสมาธิเนี่ยเราทําได้สองวิธีด้วยการกล่อมด้วยบริกรรพุทโธด้วยการใช้พิจารณาด้วยเหตุผล เพื่อตัดปัญหาที่ทำให้จิตฟุ้งซ่างจิตไม่สงบลงไปแต่นี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาเพราะว่าเรายังไม่ได้พิจารณาเป้าของวิปัสสนาคือคือขันห้าอันนี้เราพิจารณาแต่เรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจอยู่ในขณะนั้นเช่นสัญหาทางทางการงานปัญหาทางลูกทางสามีทาให้เรานั่งแล้วมันพุโธไม่สงบเราก็เลยต้องมาพิจารณาเพื่อตัด ปัญหาทางสามีมมทางลูกให้มันปล่อยวางให้ได้พอปล่อยวางได้มันก็จะสงบลงได้<ม>แต่มันก็เป็นเพียงแค่สมาธิหรือว่าถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาระดับ ต้นตอนเกี่ยวกับเรื่องของสามีกับลูกเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้เข้าไปถึงตัวตัวปัญหาหลักคือขันห้าอุปทานในขันห้านี้เป็นเป็นเป้าของวิปัสสนาคือเราต้องละตัดอุปทานยึดมั่นในรูปเมตนาสัญญาสังขารยุญญาให้ได้อันนี้เป็นอันนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาแต่ตรงนั้นเราเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิการจิตทีแก้การแก้ปัญหา บ า, บางทีเรามีปัญหาทางทางทางชีวิตของเราเราก็ใช้ปัญญาเข้ามาแก้ก็ออยอมรับความจริงว่า จะจากกันก็จากกันจะเลิกกันก็เลิกกันจะดีก็ดจะปิดก็ช่างมันอย่างเี้ยดีสิแต่จะมีคนมาให้ให้ห้าห้าร้อยล้านเพื่อจะซื้อลงพิมเราอย่างเงี้เยอปิดเลยครับเป็นงไเ ้ใสดิไการเปลีนที่ไม่ได้มาเข้ามันจะเสียหายนะมีในทางดีทางดีก็มีท่านคะในการปฏิบัติธํานี่ก็คือเราต้องเน้นปฏิบัติโดยใช้ความเพียนเป็นหลักใช่ไหมเจ้าคะแต่ทีนี้เราจะทําความเพียนแบบไหนให้อย่างแบบฉลาดนะคะให้ได้ผลลราตรงที่สุดเลก็เพียนสร้างสติก่อนไงเพียนสร้างสติก่อนสตินี่เป็นตัวสําคัญที่สุด รับเแล้วไม่มีสติก็เสียเปล่าไปอยูวว่ทาไปก็ไม่ไ้ผลทำไปสิปีได้แต่กิริยา <c oughs> ได้แต่กิริยาการทําเห้นนั่งสมาธิไปใจก็ลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยนั่งไปอีร้อยปีก็ไม่สง <c oughs> ลูกอ่านท่านอาจารย์เจ๊เห็นบอกบางคนนั่งสิบปีแล้วไปไม่ถึงไหนเลยงเป็นต้นเนี่ยเพราะไม่มีสติสตอนที่นั่งไปแล้วใจก็ลอยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็กลับมาบ้างไปบ้างสลับกันไปเงี้ย บทีเผลอไปเลยบางทีก็พูดโทพูดไปแล้วก็คิดเรื่องนั้ น, น, นเรื่องนี้ควบคู่กันไปอย่างงั้นมันก็ไม่มีสติแล้วเราจะเรื่องเนี้ยเพื่อให้กลุ่มสติให้อยู่วิธีหนึ่งก็เนี่ยก็ฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาให้ให้มีสติอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเพื่อ ให้ดูร่างกายเป็นเหมือนกับนักโทษหรือเป็นสมบัติที่มีค่ามากเราต้องคอยเฝ้าดูมันอยู่ทุทกขณะเวลานาทีแม้ว่ามันจะทำอะไรใจเราต้องเฝ้าดูมันอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันเคลือ่อนคาดเคลื่อนจากจากสายตาของจิตไปได้อย่างนี้ถึงเรียกว่ามีสติแต่มันก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทายากเพราะโดยธรรมชาติของจิตนะั้นมันไม่ชอบอยู่กับอยู่กับตัวอยู่แล้วมันชอบอยู่กับเรื่องอื่น เรื่องอะไรที่มันมีความผูกพันน่ามันจะอยู่กับเรื่องนั้นมากพอตื่นขึ้นมามันกระโดดปั๊บไปหาเรื่องนั้นทันทีเลยใช่ไหมถ้าเรื่องงานก็หางานถ้าเรื่องเที่ยวก็หาเที่ยวแล้วแต่แล้วแต่ว่ามีอะไรที่ผูกพันกับเรามากมันก็จะไปตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องใช้ใช้ตายรักไปตัดมันก่อนใช้ปัญญาไปตัดมันก่อนบอกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเรื่องมันอยู่ตรงนั้น เราคิดไปมันก็ปล่ามันก็ปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือถ้าเราจาเป็นต้องคิดก็คิดให้มันทะลุ ป, ปู่โง่ไปให้มันเสร็จไปแล้วก็หยุดคิดถึงมันแล้วเราก็กลับมาดูที่ตัวเราต่อสมมติ mm hmm. เราจําเป็นจะต้องคิดอะไรแล้วก็หยุดทํางานอย่างอื่นก่อน mm hmm. นั่งเฉยๆแล้วคิดให้พอเรียบร้อยแล้วอ่าพอไปนี้ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นแล้วนะนะอะ่าเรามีอะไรทําต่อก็ล้วก็ทําไป ก็มีสติอยู่ในการทางานนั้นตอบให้ให้กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันเสมอปัจจุบันคือเป็นฐานของเราฐานปฏิบัติของเราต้องเป็นปัจจุบันแตน่เรเรียกว่าเป็นการปฏิบัติถ้า <Okay. S 1> เป็นอดีตเป็นอนาคตนี้เป็นจินตนาการเป็นสัญญา <c oughs> นอกจากยกเว้นว่าเราพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันเกี่ยวข้องกับอดีต ปัจจุบันอนาคตนี้อันนี้ไม่ไม่เรียวกว่าเป็นไม่เรียวกว่าเป็นสัญญามันเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาแต่รับพิจารณาในปัจจุบันนี้เป็นพิจารณาการเกิดของเราการแก่ของเราการเจ็บของเราการตายของเราเนี่ยมันต้องเป็นทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตถึงจะเห็นภาพรวมอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเลยวิธีที่ดวงวิญญาณเข้ามาสู่ร่างกายแล้ววิธีที่ดวงวิญญาณแยกออกจอากร่างกายไปในที่สุดมันต้องพิจารณาให้ครบวงจร อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการคิดอดีตหรือคิดอนาคตอันนี้เป็นการอยู่ในปัจจุบันแต่คิดเรื่องที่เกี่ยวกับอดีตคิดเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันอันนี้ใช้ได้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเพราะปัญญามันจะต้องเห็นทั้งสามส่วนถึงจะเข้าใจถึงจะเห็นภาพได้ถ้าเห็นแต่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่เห็นอนดีตไม่เห็นอนาคตมันก็จะไม่ชัดมันจะไม่เห็น น, นิจจงการเปลี่ยนแปลง ใช่ไหมาเห็นตัวเราทุกวันหน้าตาเราก็เหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเปยังไงเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่ากลับไปดูตอนที่เป็นเด็กสิถ้าเดิกขึ้ยี่สิบปีมันจะเป็นยังไงมันก็จะเห็นชัดออกมันตั้งกายมันมีการเปลี่ยนแปลงนี่ถึงเรารพิจารณาให้เห็นัดมันต้องพิจารณาเห็นทั้งสามส่วน <c oughs> นี่เทวการพิจารณาจริงส่วนทุกข์ดูเน่มันสุขที่ไหนมีร่างกายนีย่ทุกวันนี่มันสุขเริ่มทุกข์กับร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีพอมีมาแล้วมันสุขที่ไหนมีลูกคนนึงเป็นยังไงเห็นไหม <c oughs> มันสุขมากกว่าทุกข์แล้วทุกข์มากกว่าสุข <c oughs> ถามตัวเองดูชั่งน้ําหนักดู <c oughs> ไม่คนไม่มีกับคนมีคนไหนสบายกว <c oughs> ่ากันเอาแค่นี้เปรียบเทียบกันแค่นี้ก็พอไปเห็นชัด <c oughs> <c oughs> เก่งการกรจาดเลค่ะมาลงมาสุขมันหลักใจมากเลยนะทุกันเพราะว่าในขณะจิตหนึ่งจิตเดียวเนี่ยมันคิดได้ตั้งห้าหลัก้าร้อยอย่างในขณะเดียวใช่เด้ยมันไปได้หลายเรื่องมากเลยมือทํางานอยู่เนี้ยแต่คิดอันนี้คิดนั้นมันไปได้แต่กิ่งก้านได้เลยมันเมันมีความสามารถมากแต่ไม่เกิดประโยชน์กับกับจิตใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับกิเลสไง วกิเลสมันชอบมันโลภมากมันอยากจะได้หลายอย่างบางทีคุยทัวร์กินข้าวไปเขียนหนังสือไปเพื่อกิเลสทั้งนั้นเลยทำเพื่อกิเลสทั้งนั้นเลยบางทีส่วว่ากิเลสมันเอาไปใช้งานบาี่วนักเอาไปใช้ารืวิชาที่ส่วนมนุมันยังออกไปได้เอาวิชาปรยาสังขารนีมาเนีก็กมาวิชาเลยขนาดส่วนมนุมันยังไปได้ก็ถึงแม่ลูกคิดดูอ้อะไรมันท้เนียอย้อนสอนย้อนเกิดเอาวิชาถึงยากนะเพราะมันติดปนิสัยแล้ว เราชอบทําำทีละอย่างพร้อมๆกันพอยาไม่ให้ทําทีละอย่างเราเสียมันอึดอัดเยอะเลยขนาดที่สังเกตไหมคะท่านนี้แต่เวลาที่ห้ามมันเนี้ยไม่ให้มันมีเหมือนมันเยื่อบางๆมันเยื่อไม่เยอะมันไม่อยากมันเยื่อบางๆอุปทานอุปทานต้องใช้เวลาต้องใช่เหตุใช่ผล ขั้นต้นต้องใช้ความสงบก่อนก่อนให้มันให้เหมือนกับสมาธิเนี่ยมันเป็นเหมือนกับฉีดยาสงบหรือฉีดยาทําให้กิเลสมันอ่อนกําลังลงอพอจิตมีความสงบนี่กิเลสมันจะทํางานช้าลงช้าลงแล้วตอนนั้นเราก็สามารถที่จะพิจารณาทางปัญญาได้ไม่มีอะไรมาลบลวนถ้าในขณะ ท, ที่จิตไม่สงบนี่กิเลสนางานอยู่เต็มที่แล้ะพอพิจารณาความตายคําเดียวปัาบมันดึงไปแล้วมันถักไปแล้ว พิจารณานิจังปั๊มันถักไปแนละ้วจะทาพิจารณาไม่ต่อเนื่องท่านถึงต้องบอกต้องมีสถานสมาธิต่ออย่างที่หลวงตาไปกราบหลวงปู่มั่นวันแรกขออนุญาติอยู่หลวงปู่มัน่นท่านก็เมตตาเทศบอกว่าท่านมาหาท่านก็เรียนมาจบถึงเป็นมาหาแล้วแต่ความรู้ของหมดที่ท่านเรียนมานี้ตอนนี้มันไ ม, ม่ประโยชน์กับตัวท่านเลยขอให้ท่านแขวนไว้บนหิ้งก่อน ให้หันมาทำจิตให้สงบก่อนเมื่อจิตสงบแล้วความรู้ต่างๆที่ท่านรู้มาเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นวิปัสสนาเองมันจะเป็นปัญญาแต่ตอนนี้มันไม่เป็นปัญญามันเป็นสัญญามันทำลายมันฆ่ากิเลสไม่ได้ <c oughs> ความรู้ท่วงหัวตัวไม่รอดเพราะมันไม่มันไม่ได้เป็นความรู้แบบภาวนามายปัญญานั้น <c oughs> ต้องภาวนาก่อนต้องทำจิตให้สงบก่อน พอจิตสงบแล้วมันเห็นอะไรเห็นอะไรไม่ดีมันหยุดได้ไงเห็นว่าความโลภไม่ดีมันก็หยุดได้เพราะมันมีเบรคตัวเบรดก็คือสมาธินี่แต่ตอนถ้าไม่มีสมาธิรู้ว่าเป็นกิเลสก็หยุดไม่ได้นี่รู้ว่าไปเที่ยวไม่ดีก็ยังหยุดไม่ได้ยังยังยูงย่อย่างไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิที่จะเบรคใ้ไปหยุดมันสู่บุรี่รู้ว่าไม่ดีก็หยุดไม่ได้ มันเหมืนเลตมันมันแบบไปมันมีความสุขค่ะใช่มันหลอกเราไงมันหลอกเราลูกพยายามเตือนตัวเองบอกท่านอาจารย์บอกเออถ้าไปนะมันสุขแค่7วันกลับมาก็ต้องมานั่งคิดโสดเสียตังค์ดังนั้นท่านพี่อะไรเงยพยายามพยายามใชตอนนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่พอะเรีไม่พอเพราป้ามันไปมันเามันต้องเจอสมาธิให้ได้มันต้องให้ได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วไม่ต้องสอนกันได้ของนี้มันรู้อยู่ในใจอยู่ในตัวเองว่าไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว ลูกทรางแล้ว่าท่านอาจารย์ทราบแล้วก็พยายามจะสอนพูดแตามันยังไม่ค่อยจะไปได้จะเท่าไหร่ก็เหมือนสมัยเราเป็นนักเรียนครูบาอาจารย์ท่านสอนก็เหมือนกันน่ะักเรียนก็แต่ละคนก็ไปได้บ้างไม่ได้บ้างช้าบ้างเร็วบ้างแต่ก็เชื่อว่าทุกคนถ้ามีความตั้งใจมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องไปถึงกันได้ทุกคนครูบาอาจารย์ท่านสอนก็ท่านก็ทําตามหน้าที่ของท่านไป ท่านเองก็ไม่มีอะไรแล้วที่ฉันจะลองทาสาหรับดูท่านเองใช่ไก็ถ้ามีคนสนใจก็ามาฟังก็สอนเข้าไปแต่จะไม่ไปสอนคนที่ไม่สนใจแล้วคนที่สนใจฟังแล้วก็ได้มากได้น้อยเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าก็มีความสนใจมันก็มันก็ยังมีโอกาส มาฟังวันนี้มีสุขอย่างยิ่งเลยนะท่านสมเหมือนช่วงเมื่อกี้เนี่ยก็มาเขาบอกเมื่อวานนี้ก็มาครั้งแรกเขาบอกฟังธรรมะแล้วเขามีความสุขใจมากวันนี้กลับมาอถูกแล้วเขาไม่ได้ฟังเด็กๆทั้งนั้เด็กมีใจเด็กๆแล้วเขไม่เคยมาเขาไม่รู้จักเราแต่เขาไปซื้อของที่ร้านสังขพันธ์ที่พัทยาแล้วเขารู้จักเรา เขาแนะนำมาเราก็ฟังข้างล่างเลยคะหรือเขาไม่เคยมาว่านี้เลยเอาไปซื้อของสังพันธ์เขาอยู่พัทยาไงเมื่อวานเขาได้ฟังที่ไหนก็ข้างล่างเขาขึ้นมาหาเราที่อ้นี่คุยฟังวนนี้กอบพวกเราไ วันนี้เขก็มีปัญหาเยอะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจีปาถาทางศาสนาน่ยที่เขาต่างด้านเรื่องถวายสังฆทานเรื่องทําบุญอุทิศเรื่องอะไรต่างๆต่้งเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจก็อะไรอธิบายก็ฟังทําบุญแทนกันได้หรือเปล่าอะไรนี่เล่มหนึ่งเล่มสองไได้ให้เขาราไม่รู้ก็ไม่มีเราไม่มีเนี่ยวันนี้วันนี้ลูกมีความ อะไรทูเม่จะมาท่ามาเป็นจะเข้จะขาบ้านหลังเดิดเดี่ยวมาสุกนี่มาแน่ครับเดือนลาตั้งใจทุกปีจะมาอยู่แล้วครับเป็นงานอะไรตอนนี้หรือว่ามีงานรงานออฟฟิศได้ก็ทำให้ลงตาก็เยอะค่ะมั้งคนี่มีเพิ่อแล้วก็เจ้านายที่เพิ่งเสียไป ที่เสี ย, สยไ ป, ไป<ล>เรา<ล>ผมก็ต้องไปทำงานแทนอย่างงานถนนหรืองานพวกงานอินฟรายเงี้ยยังไม่เคยทำด้วยตัวเองเนี่ยต้องมาศึกษาเองเงี้ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่หน่อยครับ ทำถนนนี้ปวดกระปวดหูวแล้วไม่เคยคิจะบอกปวกระบาลนะพีรุ่นปวดขยิบสสาหัสครับไม่เคยทําผมทำงานมาสิปีทําแต่อาคารออกแบบโคงเหล็กคอสโลอะไรอย่างเงีต้องมาทํางานถนนหรืองานทุกอินฟราหรือแบบงานนี้ก็ถือว่ากลัวกลัวผิดพลาดต้องศึกษาต่านแล้วก็ต้องพยายามดูศึกษาแบบจากเจ้านายที่เขาเสียไปทํำให้แต่ยังโชคดีที่ ที่จทำตำาทำตำาไว้มากค่ะเสียด้ก็ทาไปไม่ต้องไปอารมณ์กับมันทาไปดีที่สุดถ้าที่เาจะทาได้ต้องบอกท่านอาจารย์ว่งผมได้ยินเสียงท่านอาจารย์ทุกวันอยู่แล้วครับนอนน้อยก็เสียพัระยาเขานอนไปผมก็เสียบมาขึ้นนอนคนในเวิษั้งคิดว่าลูกจเข้าบ้ากันยู่สองคนครับเพราะว่าคุยกันตลอดเลยล่ะ อันนี้คุณปู่ยังไม่ทำอยู่เลยทำเป็นบางวัน่งเพราะว่าพอดีนายที่ตายพวกนี้นะค่ะจะหยุดแล้วออก็เรียกมาผมไม่เคยพี่คนอื่นนะแต่ผมเข้าใจที่ปู่ที่ปูไม่ยอมหยุด่ะอาจนอยากหยุดก็วางเลยค่ะคือพี่คนอื่นจะเห็นความสำคัญที่ปู่ก็ถ้าปปู่ไม่อยู่นี่จะเดือดร้อนมากครับแต่ผมก็ แต่ว่าทุกอย่างคงดําเนินไปได้ฮะับแต่ว่าคนอื่นยังไข้ครับเนะคนอื่นยังไม่ค่อยเข้าใจกันคือนายนายใหญ่ขุนคุนขุนข้างเจ้าอารมณ์ครับแน่นยังครับแล้ก็คล้ายๆมันมันไม่รู้เพราะอะไรเขาคล้ายๆว่าถ้าถ้าลูกช่วยก็ก็จะฟังลูกอยู่เหมือนกันสบายใจค่ะเขาก็ฟังมใจมันมันไม่ทราบครัเวลามีปัญหาในออฟฟิศเนี้ยลูกต้องเป็นคนผููกับเขาบอกเป็นคนเจ้าอารมณ์เด็กกงพี่ก็จะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ที่ทำอะไรทำได้ก็ทำไปถ้าตราบใดการกระทํานั้นมันไม่มารบกวนการพัฒนาทางด้านจิตใจของเราแต่บางวันก็เบื่อเราคว่าเป็นการบําเพ็ญบารมีเป็นทานบารมีไปก็ได้ไปมันเป็นเวลามันเป็นเวมันเป็นวิบากคือมันมีความถูกพันตอนเนื่องกันมาใช่ไหมก็อะไต้องดูแลกันไปต่อ แต่ถ้าไหนมันมันจาเป็นจะต้องปฏิเสธก็ต้องแข็งใจปฏิเสธไปบ้างก็ได้หรือถ้ามันมันเรามีความจําเป็นที่ต้องทำอย่างอื่นที่สําคัญกว่า <c oughs> หรือมันมาทําลายหรือมาลบลวนสิ่งที่เราทําอยู่บางทีแเรวก็ต้องพูดอธิบายก็ฟังว่าจะสายเราไปตลอดไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ตัดแก้ปัญหากันเองเขาบ้างใช่ไหวัน ด, ดงเลยเค่ะเารู้สึกมากเพราะวันที่พิจารณาวันนั้นพิจารณาล้วดีน้ำตาไหลเลย เ, ลเพื่อนอเพื่อนที่เข้าไปเด้อยเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ เขาเลาให้ฟังคขาบอเล็กเล็กที่มาได้กันเลกเล็ก่งยไม่ไม่ได้บอกใครเลยกรเกันก็มานั่งเล่าให้ฟังว่าเขาพิจารณาเรื่องร่างกายอะไรอยู่เลีกน่ีกันอยู่อาออต่องาไปลยตัวกาคัญก็คือว่ามันต้อง่อเรื่องต้องมันต้องพิจารณาต่อไปจนกระทั่งมันเป็น เขาเรียกว่าฝังอยู่ในจิตสำนึกเลย <Okay. S 1> อันนี้เป็นเพลงเหมือนกันครเป็นเพลงแต่ขั้นเริ่มสัมผัสเห็นเลยมันยังไม่พอ <Okay. S 1> พอเราหยุดปั๊บเนี่ยกิเลสมันก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ <Okay. S 1> เราต้องสามารถคุมมันได้ตลอดเวลาเลย <Okay. S 1> พอมันโผล่ขึ้นมาปั๊บเราต้องดับมันได้เลย <Okay. S 1> จนกระทั่งมันไม่กล้าโผล่ขึ้นมาจ <Okay. S 1> นกระทั่งเรามั่นใจว่ามันไม่โผล่ขึ้นมาแน่นอน พดีเขาทำมาก็มีติดปัญหาแต่ผมว่าถุยเหมือนท่านทราบค่บเพราะว่าตอนลูกกลาบท่านท่านก็บอกว่าเออถ้าติดไปดูในอนนี้นะของหลวงปู่คาดีเขียนไว้อืม ก, ก็ก็เข้าใจกลับมาเปิดดูมันเห็นเนี่ยพี่ท่านค่ะคือการพิจารณาก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่พิจารณาครั้งของครมันต้องพิจารณาจนช่ําชองจนจนมันอยู่ติดกับเราไปตลอด เป็นเอาวิทย์คู่มือคู่กายคู่ใจไปเลยให้พรเลยนะ <c oughs> <c oughs> ยาถาวะริวะหาภูราปิริภูเลนติสักะลังเอวเมวะอิตวัชญเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตัตุมังกิเมวะกเนจโตซาภิภูเรนตุสังขปายังโทปะณะโสยาถาในโชติระสสยาถาซาภีติโยวิวาชานตุสาภารุโควินาสตุมาต เพวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานัสสิริสนิจจามุธาปจายโนจตาราุธรรมวทานติอายุวโนสุขาาังภาลังในวันที่ทสองพวามามา น, านใหญ่ ที่นีคคะชาแงเขายังไม่เกพรุ่งนี้มาบอกเล่นกันค่ะต้องรวมกันแน่นจะลงไปเลยมั้งเดี๋ยวลงไปกับคุณนุ่งผ้พิรมั้เดี๋ยววันนี้เราจะได้มีนหัวใจหมด ท่านจะให้เอารองน็อตทีานจะได้นังซื้อหรือคะของไว้ที่นี่หมดเว้่ไม่เอาเข้าไปดีไหยเพราะเดี๋ยวฝนตกพอไม่ต้องหันเลยฝนตกเลยท่านจะเลย ที่ถ้าทานมันหมดมีห้าปีที่นนาฬิกาเขถอดได้ได้เลยที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปที่ที่เอเย่นใดท่านจะส่งให้เราก็ได้ลูกเอาไปลุกเอามาเปลี่ยนให้ก็ได้ครับมันเปลี่ยนกลๆแถนี้มันเฉลก็เปิดแล้วก็เปลี่ยนที่ร้านนาิกาเปลี่ยนได้เป็นก้อนแบตเตอรี่เล็กๆกลมๆก็ได้เพรานนี้เวลาหมดแล้วไม่นจะทำอะไรกัน อเมีลก็ได้ลู้กออกมาห้อะไรทานเมีวไม่ได้ค่ะไใช่ค่ะส่งบอกไปว่าทานหมดอ๋ออ๋อไม่เป็นไรหรอกก็แถวนี้ก็มีร้านที่เขาเปลี่ยนทานให้เป็นแต่าบางรุ่นที้มาเป็นของยี่ห้อที่เขาจาเพาะต้องส่งคาที่ที่ร้านที่เขาเอาไไม่ต้องเนี่ยร้านไหนก็ได้เนี่ยคอันนี้งไม่ทราบเลยว่าเป็นยเหมือนกับที่เราถุงวารุ่มพุทลีก็ได้ส่งรุมพุทลีก็เปลี่ยนสองปีมาที่ท่านบอกมงใช้ให้อยู่ อันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้ถวายท่านใหม่อันนั้นที่ถวายหลวกลิ่ไปไม่แม่อันนี้อันนี้ยันใหม่อยู่เดี๋ยวปีหนึ่งก็มาเปลี่ยนให้ท่านที่มาด่เราอายุการใช้งานมนก็ประมาณปีนึงแล้วก็ไม่เป็นแล้วก็ถามดูท่านนั้นเองไหม เรื่องสำคัญเลยเพราะมีมีอย่างอื่นดูได้ในงที่แดดไม่ได้ไม่ต้องดูเลยแค่ดูนก่อมีรายการงหลายเรือนเส้นเครับที่นี่กาหนดไหมครับก็ถินวันที่เท่าไรกันยังยังไม่ได้กำหนดยังไม่ทราบว่าเขาว่าเราไม่ได้เป็นคนเป็นคนติดต่อไม่ทราบว่าทางวัดเขาได้รับการติดต่อจากใครมาหรือยังไม่ทราบยังไม่ได้ถามอาจจมาไม่คงที่ไม่ก็สนใจถึงวันไหนก็วันนั้น วันเดียยเป็นวันเสาร์อ่ะที่แแล้วก็ถ้าไม่เป็นตอนถ้าไม่เป็นตอนเช้าสิบสิบเอ็ดสิบงเครื่องมันก็ตอนตอนบ่ายบ่ายโมงมนมีเวลาถงมีเราก็ไม่ต้องมาอยู่แล้วไงก็องส่งมาให้ได้งเรื่องวันวันวันที่เป็นกะินก็แล้วกันแล้วถ้าทราบเมื่อไหร่จะแจ้งไปให้ทราบก็แล้วกันวาทวัดมีวันกะินวันไหนพอทราบจะยีเมลไปบอกให้ก็ได้ก็ช่วยตเอาของมาวายไว้ตอนก็ตอนนี้ม ไม่ไม่ไม่ไม่แบบวถิญว่าถ้ท่านอยู่แล้วมันได้ไม่ร่วมเยอะม่กเราไม่ไม่ได้มาอยู่นะเีจะส่งของมาเลยทุกคนรอท่นบครับครับอที่สองอาจจะไม่ได้มาอทางสยาวเฉยหรอวันนี้กลับมาอยู่ข้างบนนี้สีรูปัะอาจารย์นี่มีหกรูปท่านอีเวนกลับมาได้ว